เริ่นทมทุกคนอ่าวันนี้วันพุธที่สิบเจ็ดนะพุธที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วกี่ค่ำแล้ววันเนี้ยะวันนี้แรม เก้าคำเดินสิบปีมาเมีย <c oughs> เรามาเรียนพุทธชีวศิลป์กันวันนี้พุทธชีวศิลป์ก็เอาพระไตรปิฎกเล่มสิบหมาถึงหน้ามาถึงข้อข้อสองร้อยข้อ2องยปดนะจะบอกข้อ28ดขึ้นอาหารวักที่สองอาหารสูตร อาหารสูตเรเราได้พูดถึงคาวก่อนได้พูดถึงย้ำ ม, มาถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเมื่ออวิชามีสังขารจึงมี พระอวิชชาดับสังขารจึงดับพระอวิชชาดับสังขารจึงดับนะเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณดับก็จึงนามรูปดับอายตนะดับดับดับดับดับไปสุดสายดังพนามาชะนี้ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายจักสุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแกเราในธรรมะที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนฝ่ายข้างดับฝ่ายข้างดับดังนี้นะที่เน้นแม่สุดท้ายที่ท่านตรัสว่าเป็นธรรมะที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นแก่เราไม่เคยได้ฟังไม่ได้เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างดับฝ่ายข้างดับนี่แหละ ท่านได้เห็นได้รู้ด้วยปัญญาจากสจากสุยานปัญญาอิจฉาแสงสว่างแต่เห็นความดับฝ่ายข้างดับฝ่ายข้างดับเพราะได้ถูกต้องตามที่ท่า น, นาปฏิบัติที่อธิบายมาว่าโยนิโสมนสิการ คือการทําใจในใจอย่างถ่องแท้การทําใจเราสามารถทําสามารถจัดการสามารถปรุงแต่งสามารถสังเคราะห์สามารถปรั บ, รบเลยปรับตัวมันปรับตัวมันปรุงตัวมันจัดการตัวมันตัวจิตเราจะจัดตอนใจเนี่ยตัวใจในใจทําจนเกิดผลสําเร็จ ถึงขั้นนิโรธถึงขั้นดับจนสุดเลยอวิชชาดับหมดอวิชชาดับหมดเลยสุดยอดเลยอวิชชาดับเกลี้ยงไม่เลือเลยน้อกนั้นเมื่ออวิชชาดับแล้วอาตมาก็าทวร์ในฟังมาแล้วตลอดเวลาว่าอาวิชชาดับแล้วก็รู้จักสังขารด้วยจักษุวิญญาณอขออภยนะัยไม่ใช่วิญญปัญญาญาน ปัญญาวิชาแสงสว่างรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ในขณะปฏิบัติของพระเจ้านั้นมีผดสะอยู่อยู่หลัดหลัดเลยอยู่ทนท่อเลยเห็นเห็นในขณะมีทุกอิริยาบทพร้อมสําเร็จอิริยาบทอยู่องค์ประกอบของกายด้วยกายกายคือองค์ประชุมประชุมครบพรมหมดเลยทั้งนอกและใน กายต้องมีทั้งภายนอกและภายในพร้อมเป็นองค์ประชุมองค์ประกอบที่ชัดเจนรวมรู้หมดทุกอย่างครบหกทวารครบตั้งแต่หกวิญญาณหกอายตนะหกผัสสะหกเวทนาหกตัณหาอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งสุดแม่อุปทานสี่รู้แจ้งรู้ชัด แล้วก็เห็นความดับอยู่หลัดหลัดด้วยจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างไม่ได้ดับอย่างที่เรียกว่ามืดดับอย่างไม่เห็นท่านถึงบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นไม่เรื่องไม่เคยได้ยินมาฝ่ายข้างดับซึ่งดับด้วยด้วยวิธีเห็นจกักมีจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่ทุกวันนี้ ชาวพุทธหรือวงการาศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยเห็นนิโรธกันด้วยความมืดไม่เห็นหรอกที่จริงมืดไปเลยดับจิตเป็นความมืดแต่จิตไม่ได้เห็นอะไรไม่มีจักษุไม่มียานไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างมัมีแต่ความมือดอาตมาก็พูดไปเถิดเขาจะฟัง พอกระดิกหูมั่งเอาไปนึกไปคิดไปศึกษาไปไต่ตรองตรวจตราแล้วก็ฝึกฝนบ้างตามลำดับไปทบทวนในหลักฐานพระธิบปิฎกพระเจ้าก็สอนไว้มากมายกายกองอาตมาก็หยิบมาอธิบายนี่โอ้โหยิ่งตอนนี้เนี่ยหยิบพระธรปิฎกขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอ้โหอาตมานี่นะโง่นานเลยนะถ้าอาตมาอ่านพระติปิฎกอย่างนี้มากมากป่านนี้โอ้โห อาตมารู้เอามีพยัญชนะมีนิรุตติปฏิพานมาที่บายได้มากมายเลยเห็นแล้วเนี่โอ้โหเมื่อยเลยอาตมาอ่านไม่ไหวเพราะงานมันเยอะเลยไม่มีเวลาไปอ่านแม่ตาตมารู้แต่ ก, ก่อนนี่ตั้งแต่ยังไม่มีงานอย่างเงี้ยนั่งลุยอ่านโอ้โหเนาะป่านเนี่เล่มไหนหยิบขึ้นมาก็โอ้โหเจ่าั้งนั้นเลยเล่มไหนหยิบมาก็เจ้ทาทั้งนั้นเลย แม่แต่เล่มยีบซึ่งพูดถึงเปรตทั้งหลายโอ้โหเปรตทั้งหลายนี่เป็นปุกราติฐานหรือว่าผีนรกทั้งหลายแหลเนี่เป็นปุกลาติฐานซึ่งเรื่องนี้นี่ขอเล่าก่อนก่อนจะขึ้นอาหารสุดยุคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยมันเป็นยุค ใหม่ของศาสนาพุทธซึ่งศาสนาพุทธศาสตร์อาเทวนิยมไม่ได้เป็นเทวนิยมแต่พระพุทธเจ้าก็จะต้องเปิดเผยจะต้องปร ะ, ประกาศศาสนาท่านต้องอนุโลมมากเลยเพราะว่ามันไปฝืนไปหักโค่นเทวนิยมเขาเพราะอาเทวนิยมเนี่ยมัน คนลเรื่องเลยเพราะย่ายท่านต้องอนุโลมเขาบอกว่ามีตัวตนมีผีมีสร้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไอ้นนท์นนิปเป็นเทวะต่างๆเป็นสัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาต่างๆท่ๆทานต้องอนุโลมมากเลยซึ่งอาตมาอ่านบางบทแล้วโอ้โหหน่าเห็นพระไท่พระพุทธเจ้าอย่างหนักเลยท่านต้องประนีประนอนมต้องตัด อย่างโอ้โหแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อที่จะให้ชัดเจนแล้วก็อลีลาโวหารยอดเลยอ า, าตามามีลีลาโวหารใ น, นป่านนี้ไม่ล่ากยากเย็นขนาดนี้แต่อาตมาก็เห็นว่าดีแล้วมันก็คนละอยู่ตัวละเรื่องด้วยเพราะว่าท่านทํานะเพราะว่าศาสนายังไม่เกิดพุทธศาสนายังไม่เกิดต้องเริ่มขึ้นมาให้ได้ ปูกฝังขึ้นมาให้ได้ประกาศขึ้นมาให้ได้แต่อัตมานี่มันมีาศาสนาพุทธแล้วตำรามีแล้วพระติปดมีแล้วหลักฐานยืนยันมีแล้วพูดไม่รู้เรื่องเอาหลักฐานยันเปร่งให้ยันเปร่งถือหลักฐานเดียวกันมันก็เลยอัตมาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องประนิประนอมหรือไม่ต้องไปทำเป็นกรมแกลมกมแกลมมันอย่างพระบุตรจ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องเปลต ต้องอนุโลมต้องออบอกว่าต้องอะไร ส, ส่วนบุญต้องส่งส่วนบุญไปให้ผู้ตายได้เพแจะตายได้อะไรต่างๆนั้นอ้ยนันต้องอนุโลมปฏิโลมกัดไว้อย่างน่าเห็นพระทัยเลยคนก็ติดก็ยึดตามยุคนูนตามที่ท่านตัดอนุโลมอั น, นุนมันเหมือนมีตัวตนมันเหมือนมีรูปมีร่างมันมีอะไรต่างๆนานามีม อะไรที่มันเป็นมโนโมยอัตตาทั้งหมดเพราะเขายังไม่รู้จักอัตตาเพราะศาสนาที่นับถืออัตตานับถือปรมา ต, ตามันมันตัวตนตัวตนของเขาเต็มเลยเต็มรูปตัวตนเต็มกระบุงเลยเราไปพูดไม่มีตัวตนถ้าท่านไปพูดไม่มีตัวตนหกักโผงโคลม่ไม่ได้เลยแต่ท่านพูดกับภิกษุเอง พูดแรงพอพิสูุ์มาเข้ารีดแล้วท่านกว่าชัดแต่ต่าพูดอย่างที่จะตรัสกับระเจ้าพิมพิสารประเจ้าเ ป, ป, ปรสีิโกสนตรัก็บพวกพรามตรัสกับพวกประชากรอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้ามาในเนี่ ย, ยโอ้โหทั้งหลายทั้งแหลในนั้นเนี่ต้อ ง, ต, อง ต, ตัดอย่างนั้นสุน่าเห็นประทยยายจริงๆน เที่ยงยุคที่ท่านอนุโลมนี้ที่ท่านตรัสอนุโลมนี้แล้วก็มาคำตรัดเหล่านั้นมาทําให้คนทุกวันนี้แม้แต่ในชาวพุทธเราไม่เข้าใจเห็นเป็นตัวตนเป็นอัตตาไปหมดเห็นีเหพรศางเห็นเปลิเห็นเรื่องในนั้นแหะในอย่างในเรื่องยูหกเดียโหเปรตวัตถุทั้งนั้นเลยหมายความว่าเป็นเรื่องของเปลตวัตถุก็แปลว่าเรื่องราวเป็นเรื่องของเปลตเป็นเรื่องของลัทธิเปลต ตัิตัวตนอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งโอ้โหยากที่จะอธิบายาแต่พวกเราเข้าใจแล้วเรื่องเปรตพวกนั้ น, นมันเป็นมโนโมยัตตามโนโมยอัตตาดีไม่ดีเป็นโอราเิกั ต, ตาเป็นอัตตาหยาบหยาจบจนกระทั่งปั้นมาสาเร็จด้วยจิตแล้วก็เห็นเป็นรูปเลย เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาขึ้นมาจริงๆจังๆเลยเขาเห็นจริงๆเสนาอรรมาก็อธิบายให้พวกเราฟังแล้วว่าเห็นจริงๆมันเกิดกับเราเพรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นจริงมันมีจริงในตัวเราอ่ะก็เราสัมผัสเองสัมผัสด้วยตาก็เห็นรูปสัมผัสด้วยหูก็ได้เห็นได้ยินเสียงอ่สัมผัสด้วยจีนก็ ได้กลิ่นนั้นจริงๆสัมผัสด้ลิ้นก็มีรสนั้นจริงๆรสผีนะรูปผีเสียงผีกลิ่นผีรสผีสัมผัเสเ็จที่เป็นตัวผีผีนี่คือของปลอมนั้นนั้นคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานอกจากความเป็นจริงตามความเป็นจริงตายให้รูปอย่างนี้มันก็เห็นรูปอย่างนี้ เป็นความรู้ความเข้าใจอย่างตรงๆ ร, รูปอย่างนี้สีอย่างนี้สภาพอย่างนี้กลิ่นได้ก็ได้กลิ่นอย่างนี้แต่ผีนั่นคือมันมีปรุงแต่งปุ๊บก็ไปรูปนี้มันก็เป็นผีเป็นเทวดาเป็นผีนรกที่กำลังต้องการแต่เป็นหลงว่ามันพออารมณ์ชื่นชมอารมณ์ผีมันไวมันเป็นอารมณ์ชื่นชมชอบในดูสิ่งที่ทางตาสัมผัสแล้วมันก็ สุทันทีปรุงเป็นผีทันทีเป็นเทวดาปลอมเทวดาเท็น่ะแท้นะทจริงมันเป็นตัวผีเพราะคนที่จะเข้าใจได้ว่าที่จริงผีก็คือเทวดาเท็เทวดาตาเ ท, ท็ก็คือผีงงไหมงงไหมโอ้ทำไมเก่งจังก็ผีกับเทวดามันตัวเดียวกันได้ไงอาตมาว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วไม่งงได้ไงก็พูดให้งงยังไม่งงอีก ฮะอ๋อกเทวดาเขาก็บอกเทวดาจริงๆคนก็เห็นเทวดาจริงๆนะเป็นความชื่นชอบจริ ง, รงๆเลยแต่ต่อมาไปชี้ว่านั่นหละผีนั่นหละผีหลอกผีเท็จผีโกหกผีหลอกลวงแต่มันเป็นเทพประบุตรมานเป็นมานที่แปลงเป็นเทพประบุตรเพราะคำว่าเทพประบุตรมาณแค่นี้เขาก็เข้าใจไม่ได้ เทพระบุตมารแค่นี้เขาเข้าใจไม่ได้เฮ้แล้วมันยังไงเทพปรบุตไว้เทพประพฤติเทวดาแล้วมารนี่มันผีเทพระบุตนีมันมาเทวดาแล้วทำไมมันเป็นตัวเดียวกันนะเทพระบุตมารเนี่ยมันเทพระบุรือมันมารเห็นไหมเขาเข้าใจไม่ได้แต่พอเราพูดแล้วเราไม่สับสนเลยเราเรารู้ก็วันเทพระบุบุตรผีอะก็มารมันผี เทวดาผีก็ตัวเดียวกันแล้วเราไม่งงไม่สงสัยเข้าใจสภาวะทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่รู้รู้แล้วไม่งงไม่สงสัยดีไม่ดีมีสภาวะแล้วเรียบร้อยยิ่งชัดเลยว่าโอ้และเราก็ได้ละได้นายได้คลายได้รู้ว่าเราได้เคยหลงมาเคยหลงว่ามเป็นเทวดา เคยบูชงบูชามันมาแล้วเทวดาเนี่ยต้องบูชานะแต่เดี๋ยวนี้ไม่บูชาแล้วเน่ยไปเลยไปไหนก็ไปน่ไม่เอาไม่ต้องมาต่อแย่กันผู้ใดตัดออกไปได้ไม่ต้องต่อแย่เลยได้ก็ชัดเจนแล้วก็จิตว่างไม่มีพีไม่มีเทวดานั้นพี่ไม่มีเทวดาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มี เป็นฐานนิพพานไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อุเบกขาฐานนิพพา น, นาจิตของเราละวางออกได้เลยก็เป็นเนคขมสะมสิตะอุเบกขาเนคขมะสิตะอุเบกขาเวทนาจิตจึงชัดๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นความเป็นสภาวะที่เป็นสภาวะผีก็ดีเทวดาก็ดีเป็นอัตตา ที่เราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันปรงแต่งกันอย่างไงมันปลอมตัวอย่างไงมันหลอกเป็นสิ่งที่เรายิ่งทางเทวนิยมเนี่ยเขาเห็นมันรูปร่างแล้วก็กไปหลงแต่รูปร่างแลวคงคิดดูซิเมื่อไหร่เขาจะเป็นหลุดพนะ้นขนาดพุทธเราก็ยังเห็นได้รูปร่างนั่งสมาธิมีฌานเก่งโอ้พบผีแล้วคุยกับผีอย่างนอนอย่างนี้เทวดา มาโอ้โหเทวดารูปนั้นรูปนี้มีเทวดาต่างชาติเทวดามาจากเมืองนอกเหาะลอยมาอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าไปหากายเวทนาจิตทำอะไรเล ย, เลยไม่ได้ไปรู้ในความรู้สึกรู้ทั้งเรื่องมันเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นการปรุงแต่งของจิตสังขารต่างๆ ซึ่งพระง์ประกอบชัดเจนเขาไม่ได้ปฏิบัติลืมตาไม่ไดป้ปฏิบัติครบว่าเห็นกายสังขารเห็นจิตสังขารเห็นวัจจีสังขารมันเป็นการปรุงแต่งอย่างนี้ขนาดนี้เรียกว่ากายสังขารและมันไปนอย่างนี้ภาวะขนาดนี้เรียกว่าจิตตสังขารเขาไม่ได้ศึกษามาตามลําดับมารู้สภาวะอย่างเป็นอิทัปัจจยตาหรือว่าเป็นปฏิจสมบาต เป็นเรื่องปัจจัยการที่เนื่องต่อกันมาแล้วมันก็สังขารคือวิญญาณวิญญาณคือนามรูปนามรูปคืออายตนะอายตนะคือปัสสัปัสสัคคือเวทนาเวทนาคือตันหาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ความเนื่องต่อความเป็นปัจจัยการความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันขึ้นมาจนกระทั่งสามารถรู้ว่าอ๋ออันนี้เหตุอย่างนี้และหลงอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ มันสังขารเป็นผีสังขาเเรเปเทวดาก็วิญญาณ น, นี่เองเอา้าเรียนซะรู้วิญญาณได้แยกแยะวิญญาณนไีได้ตกวิจารณ์ให้ได้เมื่อปฏิบัติของจริงมีผัสสะอายตนะเกิดเห็นได้ประชุมลงมาพะเวทนาแยกเวทนาออกไปรู้ตัวผีชัดๆจะเป็นตัวหลอกมีวิธีพระเจ้ามีวิธีให้ไม่ให้มันเกิดเป็นเทวดาทันที จับตัวผีก่อนให้มันเป็นผีก่อนไม่ให้มันงดเว้นก็ดิ้นเป็นผีเขาให้จับตัวมันได้ก็ถึงได้กำจัดมันกำจัดมันได้ก็เห็นผลจริงๆ อ, อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ไปกันอีกเรื่องหนึ่งแม้เดี๋ยวนี้าศาสนาพุทธก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างนี้ เพราะงั้นพวกเราเพอเข้าใจพอทําไม่ได้ทําให้มันได้ให้มันมีมั่มีผลไม่มีของจริงจะได้สืบสานศาสนาช่วยกันสืบสานศาสนาต่อไปไม่เช่นนั้นไม่เลออะไรก็ไม่เหลือศาสนาพุทธเลอแต่จารีประเพณีกับวิธีหากินจารีประเพณีที่ปรุงแต่งไปกับวิธีหากินสารพัดเลยหากินขออภัยอัตมาพูดตรงพูดผา เป็นวิธีหากินเลี้ยงตนไปเป็นชาติชาติชาติหนึ่งชาติหนึ่งไปก็ได้ลาบยอดสั้นเซินเสพไปเสพกามเสพอัตตาได้ไปตามเรื่อ ง, งเอาเข้าเรื่องาอาหารอาหารแต่ว่าเครื่องอาศัยเอาอ่านเลยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถ ปินกะบินก ะ, นกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีพระภุมธมีพระพากได้ตรัสว่าดูเกระภิกษุทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้อาหารอีกอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์อ่านสักก่อนนะแล้วค่อยๆ อ, อธิบาย ดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์นย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอาหารพวกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดารงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องมีอาหารหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ที่แสวงหาที่เกิด นะสัตว์ที่ดำรงอยู่นะดำรงอยู่ของหมูสัตว์เปรียก็อนุเคราะห์ที่นี้เพื่ออนุเคราะห์อันนึงเพื่อดำรงอยู่อยู่แล้วก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือมันอยู่อยู่อย่างงงงงเงาเงาเกาเยอะในส่วนมากก็อยู่อย่างางางงงเาอวิชาเพราะเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตวนะ์อาหารสี่เป็นชไหนคือ หนึ่งกาวาริงกระาหารกวรีกา ว, า ร, กาวารีนะนี่ทก็จกาวรีที่จริงมันไม่กาวาริงเป็นมีตัวอังอยู่ข้างบนเนี่ยแต่เขาเป็นเป็นรอหรือแล้วก็อ้ยรอจุลาแล้วก็เป็นสระอีเลยกาวาริงกระาหานหยาบหรือละเอียดสองผัดสาหานสามโนสันเจตนาหาร สี่วิญญาณอาหารอาหารสี่เหล่านี้และยังย่อาเป็นไปอาหารสี่เหล่านี้แลย่ยอม เ, เป็นไปเพื่อความดํารงอยู่ข้อมูลสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์มูลสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอเอาต่ออีกข้อยึดกจะชัดขึ้น ดูกระพิสูจทั้งหลายก็อาหารสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุนะอาหารสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งหนึ่งเหตุสองที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดสามกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสี่แดนเกิดนะ่าจำไวนะ้มีอะไรเป็นเหตุนั่นอันหนึ่นะนิธานา บาลีท่นานใช้คำว่านิทานมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นสมุทย ท, ม ท, ทยาเป็นที่ตั้งที่จริงเหตุสมุทัยสมุทยาเป็นเหตุทำไปแปลในนี้มาเป็นที่ตั้งอัตมาก็ดูเทียบเคียงกับกับพระบาลีด้วยท่นานใช้ว่าเป็นที่ตั้งแต่พระบาลีว่าเป็นสมุททยาเราจะเข้าใจได้เยอะขึ้นเมื่อรู้ความหมายทั้งคําบาลีทั้งภาษาไทยที่ท่านพยายามมาแปลตามความรู้ความเห็น ควาเข้าใจของท่านท่านกัแปรกันก็เอามันผสมกันดูมีอะไรเป็นที่ตั้งสมุทียามีอะไรเป็นกำเนิดชาติกามีอะไรเป็นแดนเกิดปภวาอาหารสี่เหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเป็นกําเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดโอ้โหโจดโจดตัวนี้เป็นโจรหมดเลยอ่ <c oughs> เป็นโจรหมดเลยโจทตัวนี้ตัณหานี่เป็นโจรหลักเลยน่มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งมีตัณหาเป็นกําเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุน่ต่ออีกทีนี้ อาหารนี่มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นป็กำเนิดโยงไปอีกนะตอนนี้เอาไอเหตุที่ตั้งกำเนิดแล้วก็แดนเกิดมาเลยทีนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุนะเมื่อกี้บอกตัณหาเลยตอนนี้บอก อะไรเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ตั้งมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้ต่อทีนี้ต่อจักรนาและเวทนาทีนี้ก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุต่ออีกมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นเหตุ มีภรรษะเป็นที่ตั้งมีภรรษะเป็นกําเนิดมีภรรษาเป็นแดนเกิดก็ภาษานี้ทีนี้มีอะไรเป็นเหตุไหลไปอีกนี่แหละคืออิทัิปัจจยตาหรือปัจจยการปัจจัยการของเหตุปัจจัยมันร้อยเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้อย่างร้อยเป็นลูกโซ่ไปงี้เลยนะมันมันคาอยู่ตรงไห น, นตัดอยู่ตนแปะอยู่ตรงไห น, น ถ้าไม่ทะลุทะลวงไม่จบหรอกไม่บรรลุหรอกทำอาวุธเจา้าไปนั่งติดงัด ต, ตรงในนะเซ็ตเมันต้องเข้าใจเลื่นพูดอะไรก็อ๋อตรงนี้ตรงอ๋ออะไรมันมันไม่เชื่อมไม่ต่อเออ น, นแล้วก็พยายามศึกษาคนาเราจะเจอผู้รู้าาท่านจะอธิบายแล้วก็เคลา่อนไหลอ๋อแล้วเราก็ดูสภาวะอ๋อไปศึกษาถ้ามมีสภาวะก็รู้เลย ถ้าไม่มีสภาวะก็ไปปฏิบัติจนอ๋อมันต่อกันอย่างนี้จริงๆนะนะมีภาษะเป็นแดนเกิดมีภาษาก็ภาษานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดภาษะก็มีสัญญาณเป็นเหตุเราจําปฏิสมุตบาทมาแล้วก็ไล่อนุโลมปฏิโลมไปเลยนี่เราไล่ขึ้นจากภาษาไปสัญญาณเป็นเหตุมีสรญญาณเป็นที่ตั้งมีสัญยะเป็นกําเนิดมีสัญยะเป็นแดนเกิด ก็สลัยตณะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลัจจณะมีนามรูปก็ไล่ไปตามปฏิสุบาทแลยเราจาได้แล้วมันก็คงไม่สับสนอ่ามีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นที่ตั้งขึ้นมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปมีอะไรเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นที่ตั้งเป็นกาเนิดเป็นแดนเกิดนามรูปก็มี อะไรวิญญาณเป็นแดนเกิดแล้วิญญาณเป็นเหตุแล้ววิญญาณเป็นเหตุไปที่ตั้งเป็นวิญญาณเป็นกาเนิดวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณมีอะไรเป็นเหตุมีสังขารนะพอเรามีเหตุก็มีพื้นฐานตรงนี้แล้วี่จะเข้าใจง่ายรื่นแล้วก็โล่งเข้าใจไปผู้ที่ศึกษาแต่ปริยัตบัญญัติก็ยังเข้าใจได้เลยถ้ายิ่งมีสภาวะแล้วยิ่งไปริวๆเลยนะ มีสิ่งเหล่านะมีตอนนี้ก็มาถึงสังขารแนละ้สังขารนา่ก็สังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นที่เป็นเหตุมีอวิชชาเป็นที่ตั้งมีอวิชชาเป็นกาเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิด่ามันก็ครบดูกระพิสูจน์้างหลาย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 ทุกทรมนตุปายาสะเลยนาทลุเลยช า, ช, ช, าชาติชรามรณะชาติชรามรณะโศกเกลริเทวะทุกขทรมนตุปายาสะดังพนามาชนนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลเห็นไ้มท่านก็สรุปความเกิดขึ้นในกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้อ30ก็เพราะอาวิชานั่นแหละดับทีนี้ท่าก็เลื่อนขึ้นมาจับหัวเลย เพราะอวิชชาดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือเพราะฉะนั้นอวิชชาดับไม่ใช่เป็นดับเเป่าปากดับแล้วเพราะสํารอกค่อยๆสํารอกสํารอกไปโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิชาย่อมจึงดับแลวมันจะับตาเรค่อยดับ ไล่มาเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่มันจะดับทันทีทั้งก้อนอวิชชาเลยไม่ใช่มันจะค่อยๆดับไปตามลำดับเบื้องต้นทั้งกลางมันปลายปฏิบัติเป็นขั้นตอนมีเบื้องต้นทั้งกลางมันปลายเป็นระดับําดับําดับําดับําดับดับมันจึงจะถึงที่สุดความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จบ อาหารสูตรอาทินี้เราก็เปิดกลับมาอธิบายขยายความกันเราได้เพิ่มอาหารสี่เราก็เคยพูดกันกันมาหลายครั้งหลายคราวก็ทวนก่อนว่าอาหารสีนี้ไม่ได้แยกกันกวริกราหารผัสสาหารมโนสเจตนาาหารวิญญาณอาหารไม่ได้แยกกัน ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วมันก็จะไม่ลำบากอะไรที่จะศึกษาต่อไปเพราะมันรวมครบอยู่มันเป็นปฏิจสมบาทเป็นปัจจัยการกันจริงๆเพราะอาหารสี่ท่านตรัสว่าการริ ก, กรอาหารเนี่ยต้องรู้ด้วยลักษณะเป็นกามมุห้าเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นความใคร่อยาก เป็นตัวตระกูลต้นต่อมาเร า, เราปฏิบัติต้องมีผัสสะเป็นสมุิไทยตามหลักปฏิบัติถ้าไม่มีผัสสะด้วยเทตปัจจัยด้วยรูปใดยนามวิญญาณไม่มีให้ศึกษาเพราะจะศึกษาสังขารเรารู้ว่าลักษณะสังขารมันปรุง เป็นสิ่งที่มันปรุงแล้วมันเป็นอาการยางไงของสังขารก็คือวิญญาณนั่นแหละคือวิญญาณนั่นแหละสังขารอาตมาขยายความให้ฟังมาตนแล้วว่าสังขารมันมีสามกายสังขารจิตสังขารวิจิสังขารแลวกายสังขารจิตสังขารวิจิสังขารในคำว่ากายสังขารนั่นแหละคือวิญญาณ มันปรุงแต่งกันอยู่เต็มแต่ลักษณะที่มันบอกว่ากายใสังขารมันต่างกันครับกายะวิญญาณยังไงกายะสังขารกับกายวิญญาณต่างกันตรงที่เราท่านชี้บอกว่าอาการสังขารนั้มันอย่างหนึ่งลักษณะของวิญญาณนั้นอย่างหนึ่งแต่มันเป็นองค์ประชุมของทั้งหมดรูปและนามด้วยกันหมดองค์ประชุมรูปเรนนามทังหมด คือมีทั้งรูป28ดนี่แหละตาดินน้มไฟลมซึ่งเป็นวัตถุนอกแล้วคุณก็มีผัสสะอาศัยผัสสะหารอาศัยผัสสะตามหลักมูลสูตรเป็นสมุดไทยในการปฏิบัติไม่มีผัสสะไม่มีวิญ ญ, ญาณเกิดเพราะจะรู้วิญ ญ, ญาณยังไงมันปรุงปรุ่ขึ้นมาลองเอาวิชาเลยไม่รู้อะไรแยกไม่ออกก็ามาตามมาวิญ ญ, ญาณเป็นญาณก็รู้ ลักษณะสังขารมันปรุงแต่งลักษณะวิญญาณคือเป็นนามารูปนะแต่ท่านไม่เรียกจิตท่านเรียกวิญญาณเป็นภาษาเรียกจริงๆแล้วก็ตามมาถึงจิตสังขารมาถึงจิตวิญญาณนี่คือจิตสังขารวิญญาณนี่คือความปรุงแต่งของจิตแล้วมันปรุงแต่งโดยอวิชชามันก็ เป็นสังขารที่ครบเครื่องกายสังขารทั้งรูป28ดยินน้ำไฟลมแล้วก็มีภาษาทรูปกระทบสิ่งนั้นกระทบรูปรกจึงเชียงสัมผัสกระทบแล้วภาวะรูปก็เกิดภาวะรูปคุณก็ไม่ได้เรียนมาคุณก็ไม่รู้ว่าโอ้มันเป็นมันเป็นภาวะมันเป็นตกลงถามตอนนี้ก่อนเพราะปรุงมาคุณเป็นอวิชานี่นะ มันเกิดสังขาร น, นั้นมันเกิดวิญญาณ น, นั้นคุณจับนามรูปนั้นได้แล้วจากผัรษมีอายตนะให้เกิดแล้วเสร็จเรียบร้อยภาวะรูปนั้นเป็นอะไรเป็นเวทนาภาวะรูปนันเป็นเวทนาแล้วเวทนานั้นมันมีตัณหาไหมเพราะมันยังเป็นสังขารที่อวิชชายอยู่มันก็ต้องมีตัณหาเป็นเหตุตามหลักปรัชาก่อนประจาว่าเออ ก็มโนวิชาแล้วมันก็พาทุกมันยังไม่รู้เรื่องมันต้องมีตันหาผสมส่วนอยู่ในนี้แน่นอนเป็นตัวรูงแต่งรวมกันอยู่ในนี้แน่นอนเพราะเราจะรู้ตันหาได้แล้วก็หาทางที่จะรู้ความจริงว่าวิญญาณคืออะไรท่านก็นหลายวิธีแล้ววิญญาณก็ต้องมีผัสสะผัสสะของสองอย่างผัสสะขอารูปนาม ตากระทบรูปเหตุปัจจัยมีทั้งตาเหตุปัจจัยมีทั้งรูปเหตุปัจจัยมีทั้งเสียงเหตุปัจจัยมีทั้งหูเหตุปัจจัยมีทั้งกลิ่นเหตุปัจจัยมีทั้งประสาทจมูกก็กระทบกันแล้วก็เกิดพัทธสามเกิดวิญญาณก็จับวิญญาณนั้นมัมาผ่าตัดมันแยกวิเคราะห์ ที่นี่เราจะแยกวิเคราะห์ด้วยวิธีพระพุทธเจ้าไม่จะไปแวะเป็นรูปธรรมผ่ามันออกงั้นแต่ก็ต้องรู้มันประสัดส่วนของมันมันปรุงมันแต่งกันอยู่กันมีวิธีก็ตั้งแต่ไล่รู้องค์ประชุมทั้งหมดเรียกว่ากายพอสัมผัสแล้วมันเกิดเป็นกายยสังขารนี่แหละคือกายในกายเมื่อเรารับรู้ได้สัมผัสได้มันคือสักกาย ส ก, กายตัวนี้เราอ่านมันเห็นหลดหลัดอยู่เมื่อดเป็นผัสสะตากระทบรูปคุณก็จับกายตัวนี้ได้เป็นกายของตนเลย ว, ว่าสักกะของตนกายของเรานี่แหละมันเป็นอาการวิญญาณวิญญาณที่มันเรียกว่าสังขารก็ตามเรียกว่าเวทนาก็ตามไล่ไปจนสุดแล้วเมื่อกี้นี้สังขารวิญญาณไปสังขารแล้วก็เป็นเวทนามันก็เป็นตัวสังขารใน เวทเวทนาเนี่ยพอปรุงแต่งปุ๊บมันเป็นตัวเวทนาและเวทนาเนี่ยคือตัวเทพประตมารเวทนานี่คือตัวเทพปรุภตมารคือความเป็นผีความเป็นเทวดาถ้ามันสุกมันก็เป็นเทวดาถ้ามันทุกข์มันก็เป็นผีเช่นวกคตทบสัมผสัสอันนี้แตะไม่ได้อยากได้ แต่ห้ามสัมผัสห้ามเกี่ยวของตาเห็นแล้วอยากได้แต่มันยังไม่ได้มันยังห่างยังเว้นยังขาดยังไม่ตัดยังไม่ได้ยังไม่ดึงมาเป็นเราของเรามันก็ดิน้นมันก็เป็นตัวผีอยู่ก่อนได้มาปับ๊บเป็นไงนะได้มาสมใจเป็นไงเป็นเทวดาเลย พวกนี้มันไม่ใช่ภาษาเล่นเล่นมันเป็นเรื่องจริงมีมีของจริงปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าอ๋ออาการใจแล้วล้วก็อ่านอาการใจเราออกเราก็รู้สักกายะเราก็รู้ตัว ต, วตนนี้ทีนี้ก็ใช้ศีลทศวิธีปฏิบัติที่เราเรียนมามีคำพนกักผ้านกอดตามทำไปก่อนไม่ให้มันเกิดแรงจนกระทั่งมันจะพาเราจะต้องโหมสู้ไม่ไหวอ้ามันเบาลงมาก็รู้อาการมาแล้วก็พิจารณา มันก็ช่วยเราได้วิคัมพนภปหาก่อนแล้วก็ตทะทังโดยวิปัสนาวิธีก็เห็นว่าโธ่ไอตัวนี้เนี่ยซึ่งมันแม้ยากตรงเนี้ยยากตรงที่ว่าเราจะต้องเห็นมันเป็นดั่งหัวฟีเป็นดั่งอะไระอะไรต่างๆนานาที่จะปรุงเป็นอสุภะต่างๆก็อเอามาเทียบมาเคียงเอามาเห็นนามาจริงว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยให้มันเห็นว่ามันจะ ไม่ได้น่ายินดีไม่ได้น่าดายน่ามีน่าเป็นไม่น่าพึงใจอะไรเลยนะมันไม่ได้น่าพึงใจอะไรมันไม่น่าชอบน่าชื่นอะไรจริงจีจนญาณปัญญาของเรามันขึ้นมาเห็นจริงเออจริงจรินนงน่าโล่งมันอยากได้อยากมีอยากเป็นเราเห็นรูปก็ดีเราเห็นอะไรก็ดีมันก็เป็นของจริงตามความเป็นจริงนะคือปัญญาแต่เห็นแล้วมันเกิดอาการผีหรือเทวดา เขามาแปลงตัวเข้ามาอยู่ในจิตเราแล้วเราก็รู้ว่าน่ะไอตัวนั้นนะ่ะปัญญารู้ทันตัวนั้นนะ่ะคือตัวผีตัวเทวดารู้ทันตัวผีเทวดาแล้วก็จัดการไม่ให้มันเกิดอาการผีเทวดาพอเราสามารถที่จะสมมุติว่าเรากําจัดมันได้จากใจเราโดยไม่ต้องปฏิบัติแล้วจิตเอยว่างอุเบกขาแล้วเราเห็นมันก็เห็นอย่างเก่าวแล้วมันก็รู้ของจริงตามความเป็นจริงแต่มันไม่มีผีไม่มีเทวดา ใจเรามันก็ไม่มีอาการผีอาการเทวดาเพราะฉ้นทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอาการผีหรือเป็นรู้จักผีไม่รู้จักเทวดาวิญญาณเป็นผีวิญญาณเป็นเทวดาหรือจิตเป็นผีจิตเป็นเทวดามันเป็นยังไงอย่างนี้แหละเราเป็นตาทิพทิพเห็นของจริงเมื่อเราทำให้จิตของเรามันว่างจากความเป็นเทพความเป็นมารได้แล้วจริง จิตเราไม่เกิดอาการเทพอาการมารเลยเห็นแต่ของจริงตามความเป็นจริงไทยจีนฝรั่งแขกเด็กผู้ใหญ่คนแก่ตาไม่เสียเห็นของจริงเหมือนกันหูไม่เสียได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันจมูกไม่เสียได้กลิ่นอย่างนั้นเหมือนกันหมดแต่ในจิตเราไม่มีต่างกันตรงที่นี่แหละกายต่างกัน เพรสัญญาต่างกันเพราะกําหนดต่างกันไอ้นี่กำหนดด้วยตันหาไอ้นี่กําหนดด้วยการไม่ให้มีตันหาและทําให้ตันหาไม่มีได้พอทําได้กายก็ต่างกันเช่นนิโมกไม่ใช่วิโมกวิป ส, สัตวะสองจะต้องไม่ให้มีนิวรนกําหนดหมายมาสัญญาว่าไม่ให้มีนิวรนคุณก็บรรทําให้จิตไม่มีนิวรน คุณก็ได้นิวรนโอคอไปได้จิตไม่มีนิวรนเพราะได้จิตไม่มีนิวรนแต่พุที่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตทําให้จิตไม่มีนิวรนคุณก็ได้กายอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ให้จิตมีนิวรนก็ทําให้จิตไม่มีนิวร น, น, นได้ก็เป็นกายเองหลังกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันคือไม่มีนิวรนนี้เป็นต้นแล้วก็รู้กายแสังขาร ที่เป็นจิตสังขาร น, นั่นแหละจนมันเสร็จมันก็เป็นวจีสังขารเพราะทำให้ดับวจีสังขารดับก่อนแล้วก็กายสังขารแล้วก็ไปชัดเจนที่จิตกายเนี่ยมันอยู่กลางกลางมันรวมหมดเลยทั้งนอกทั้งในอยู่มันเป็นอะไรมันก็เลยไม่ไม่เลื่อนไปจากอะไรกายสังขารเนี่ยพอดับเสร็จ อย่างลืมตาเนี่ยนิโรธแบบฤาษีเขาก็คล้ายกันนะแต่เขาไปเอากรรมไม่ใช่สังขารกายออไม่ใช่สังขารเป็นกรรมเวลาจะดับอะไรดับก่อนนะเขาก็ว่าจีดับก่อนเหมือนกันแล้วกายดับแล้วจิตเคยดับ เนั่นมันนั่งงนี่แน่นอนก็หุบปากตั้งนานแล้ววิจีกรรมเขาไปเอากรรำนะไม่ได้เอาสังขารนะตั้งๆที่ถามตรงๆถามว่ากายสังขารวิจ อ, อใช่กายสังขารจิตสังขารวิจีสังขารถามสังขารไม่ได้ถามกรรมเลยนะแต่กําหนดภาวะผิดกําหนดภาวะสังขารกับกรรมคนละเรื่องเป็นกำหนด กรรมวาจาวาจากรรมวั จ, จีสังขารดับเขาก็ไปกําหนดวัจจีกรรมดับกูคือนั่งไม่พูดวัจจีกรรมคุณดับแต่คุณยังไม่รู้หรอกว่าว จ, จีสังขารคืออะไรเห็ไหมไอ้ <k rada> พวกเราเข้าใจแล้วว จ, จีสังขารคืออะไรอ๋อมันเป็นรูปเรื่องวจีสังขารคือรูปเรื่องวจีสังขารนี่เป็นเรื่องนะปุ๊บมันเป็นรูปเรื่องเพราะงั้นถ้ามันดับได้ก็คือดับตัวเหตุได้ เจิสังขารคุณก็เป็นตัวเสร็จเจีสังขารคือเพ่งก็ไปทํางานเสร็จเมจีสังขารดับเสร็จพอเสร็จแล้วก็เป็นองค์รวมก็ขยายผลมาถึงดับแล้วก็ส่งมาถึงทุกอย่างตางหูจมูกลิ้นกายภายนอกภายในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารหมดครบนามรูปครบเวทนาสัญญา เจตนาผัดสะมณสิการครบครบไปถึงรูปอุปาทายุรูป 24. อีก24่น่เรียกว่ากายทบเป็นรู ป, ปรกายหมดเลยรู ป, ปรกาย28องค์ประชุมของรูปครบอิทธิภาวะหายไปเพราะเป็นเอกแล้วเป็นปุริสภาวะเลยกระทบตาหูจมูกนิ้กายกระทบรัดรอยู่นี่่างตากระทบรูปอยู่นี่เกิดะ เป็นภาวะรูปที่เป็นเอกคตาเป็นปุริสภาวะแล้วไม่มีนิวรณ์ที่นี้เป็นต้นเพราะเราจับจิตเป็นมีหัตไยรูปรู้จักตัวอาการของจิตมณสิกการได้ตรงหัตยตรงจิตตรงมณะตรงสถานที่ของจิตมันรวมกันอยู่เลยว่าหัตไยรูปเสร็จแล้วเราก็รู้ชีวิตชีวิตของอะไรชีวิตของเทพชีวิตของมารชีวิตอินทรีย์ ตอนนี้เราก็ทำให้ชีวิตของอาการของเทพก็หายไปตายไปอาการของมารก็ตายไหมไม่มีเทพไม่มีมารอยู่ในชีวิตตินซีเนี่ยอตมาอธิบายผลสรุปที่มันจบให้ฟังนะมันจะได้ชัดเจนะเพราะอาหารรูปอาหารรรูปที่นี่นี่อาหารสีอาหารรรูปกาวริงกร า, ารหัน เราก็รู้จาักกามผัสสะหารผัสสะอยู่เราก็รู้จักเวทนาสุขทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาตอนนี้มันอุเบกขาเวทนาแล้วเราก็เห็นเวทนาเราทําสําเร็จอาหารก็สําเร็จปริเฉทรูปคุณตรวจอีกสิตั้งแต่เริ่มต้นอาการะสารจยะตนะ วิญญาณัน จ, ยจัยเจตนอาอกิจนจนนัญญาเตนะในวาสัญญาณาสัญญาเจนะไปจนกระทั่งถึงสัญญาเ ว, ท ย, วทยุตานิโรธคุณก็ทําให้เป็นเอเนนชาไปสังขารในการปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะการตรวจสอบในปริเฉทรูปนี่คืออรูปฌปานตรวจสอบก็ไ ป, ปรเริ่มต้นเนื่องจความว่างอ า, าอาหารรูปก็ได้อาหารถึงขั้น อุเบกขาแล้วนะเสร็จแล้วปริเชตรูปก็รู้แล้วมาถึงวินยัตรรูปอาการทางข้างนอกนั่นจากขีตวาทิตะเราปฏิบัติกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่ยังไงทั้งกายกรรมวจีกรรมทั้งอาชีวะทั้งกรรมมันตะ ทั้งวาจาเป็นกายวิญญัตเป็นความเคลื่อนไหวของชีวิตอาชีวะเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็มีกรรมการงานการกระทำกรรมมันตะทุกอย่างแม้แต่คำพูดคำจาวาจากายวิญญัตนั้นปราศจากอากุศลสอถึงผีนะั้นมันแสมปนอยู่หรือไม่ตรวจ ทั้งมจีวิญญาตตรนจรัเศกก็เห็นวิการรูปอีกห้ากายวิญญตาตมจีวิญญาตสองนันก็ยกไว้เพราะว่าอันเดียวกันกับอนโนนแล้วก็เหลือละหุตาเหลือมุทุตาหรือกรรมัญญาตามันเบาไหมว่างดีไหม จิตรู้แหวไวัคล่องแคล่วแวไ ว, ทวทัทั้งจิตตรวจสอบทั้งจิตสัมผัสทั้งจิตทําได้แข็งแรงหรือยังนันไล่ไปหาสมาธิจิตตั้งมั่นหรือยังจิตแข็งแรงหรือยังอปปนาหรือยังพระย ป, ปนาหรือยังเจตสโทปนิโรปนาหรือยังคุณก็ปฏิบัติไปเรื่อยั้งนี้ได้เท่านี้ครั้งนี้แข็งแรงขึงน้ขนเท่า น, านี้เท่านี้จิตเราก็วางเบาเบาละหุตา จิตเราก็เร็วไวไม่ต้องแข็งไม่ต้องฟืดไม่ต้องยากไม่ต้องอม่ตกวิจารต้องคุมต้องเคร่งต้องลำบากโอ้ยค่องตัวนะมุตุตากรรมยตาคล่องตัวนี่กรรมยตามุตุตาไวมุตุตาอ่อนจิตหัวอ่อนทั้งรู้ก็ทันรู้ทันเร็วมุตุตารู้ก็เร็วจิตก็ปรับได้เร็วนะกรรมยตาก็ เป็นการงานเกี่ยวข้องกับข้างนอกอาชีวกรรมันตะวาจาคุณก็สัมพันธ์ทำได้เหมาะควรเหมาะอันนี้ก็พอเหมาะอันนี้อันนี้ก็พอเหมาะถ้าอ่านในข้อสุดท้ายเกือบสุดท้ายของมหาจารีสกสูตรพระสมาธิทิพอเหมาะจึงทาให้สังกปะพอเหมาะพอสังกปะพอเหมาะจึงทำให้ วาจาวจีกรรมพอเหมาะวจีพอเหมาะจึงทําให้กรรมมตัพอเหมะกรรมมตัดพอเหมะจึงทําให้อาชีพะพอเหมาะพระเจ้าจึงให้วาหยามะพอเหมะวายามะดวงสติพอเหมาะสพอเหมาะจึงให้สมาสมาธิพอเหมาะสมาสมาธิพอเหมาะจึงเกิดญาณสมาญานันพอเหมะสมายานพอเหมะจึงเกิดสมาวิมุติอันพอเหมาะนะ เป็นส ม, มัตส ม, มัตตสิบครบสมัตตสิบสมัตแปกับพลสองครบอย่างนี้เป็นต้นมันพอเหมาะเพราะมันปรับได้ปรับได้แล้วมันลงตัวเรื่อยๆปะโหติพอเหมาะปะโหติทำไปปฏิบัติไปกเกิดมุดลหูตาเกิด มุทุตาเกิดกัมมั ญ, ญาตาเกิดไปเรื่อยๆรยๆรืยๆจนเป็นสมาธิอันตั้งมัน่นอัปนปนาพยปนาเจตโสภิิโรปนาส่วนตะกะวิตกะสังกะปะนั้นก็เก่งขึ้นเรื่อยๆชานานขึ้นเรื่อยๆแววไวขึ้นเรื่อยๆเจริญก็จะละหุตาจิตก็เบ า, จ, เบาจิตก็ง่ายจิตก็สะดวกจิตก็ไม่หนักไม่นา่าสบาย นะเหมือนขัดจั ก, กรยานขี่จั ก, กรยานฝึกฝนขี่จั ก, กรยานจนก็นต้องโดดรอยขึ้นบนอากาศตีลังกาลงมาข้างล่างกันได้โอ้โหเห็นแม่หน่าในในนกทวท่านเด็กมันเล่นจั ก, กรยานตีลังกาโอ้โหมันเก่งจริงๆแต่ก่อนนี้อาตมาขี่จั ก, กรยานเนี่ยแม่ก็โดดจากอ่านลงข้างล่างจับท้ายรถตั้งได้ก็มาเก่งแล้วแล้วก่อนนี้ไปขี่ไปเนี่ยเวลาจะลงเราไม่ลงลอแล้วก็ค่อยไลงไม่ ขี่ไปับป๊บก็โดดขึ้นจักรยานมันเคลื่อนไปแล้วก็จับจะแกลงจักรยานข้างหลังอยู่เราลงแบบนั้นลงจักรยานนะไอ้ลงประเภทแม่ก็ค่อยก้าวขาลงนี่ก้าวขาขึ้นปั๊บเวลาขึ้นจักรยานไม่งี้เราขี่ไปปับป๊บเอาขาพาดข้างหน้านนยกข้ามแฮนแล้วก็ลงมาขี เวลาขึ้นจั ก, กรยานไม่ใช่แม้เอาขาพาดข้างหลังแล้วก็มานั่งแอะอานไม่ใช่ก็ก็เล่นมา <c oughs> นี่พูดในฟังนะแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วนะอย่ามาลองให้ลองดูมนะันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ขี่จั ก, กรยานก็แทบ ล, มล้มละมันหมดท่าเลยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่เล่นอย่างนั้นจริง ถาจมาเป็นเด็กขนองอยู่ก็เหมือนไอ้พวกเด็กมันเล่นนะออกโทรทัศน์กันเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเล่นกันจังเลยใครดูบ้างไงในโทรทัศน์โอ้มันหกกระเมนตีลังกามันเล่นห่อเหินเดินน้ำดำดินในจักรยานมันเก่งโอ้โหอดมันก็อวดเก่งไปเรื่อยเหมือนอย่างนั้นแหละเราก็คล้าคลองเป็นราหุตาเป็นมุทุตตาเป็นกรรมัญญาตาเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบของกายวิญญาณวัจจวิญญาตก็ยิ่ง ค่องเป็นรูปธรรมเป็นออกมาข้างนอกเลยชัดหมดเพราะภายในเหตุมโนปุพังกางมาธรรมามโนเสธามโนมายาจิตเป็นประธานจิตมันแก่งจิตมันบังคับให้ฝึกเพราะมันไม่ได้ทิ้งนี่ของพุทธไม่ได้ทิ้งการฝึกข้างนอกกายกรรมวจีกรรมไม่ได้ทิ้งนี่แม้แต่ทําอาชีพการงานก็ไม่ได้ทิ้งดีหมดเปาะควรหมดลงตัวหมดเลยประโหติ สมบูรณ์แบบเป็นกรรมยตตาเป็นกายกรรมญญาตาสมบูรณ์แบบเลยนะเพราะเหลือลักษณะรูปอีกสี่ก็เป็นตัวที่อาศัยสุดท้ายเลยคุณจะกำหนดให้มันทีนี้เราเป็นอนุโลมเป็นสัจจานุโลมิกยานเป็นความสามารถของคุณว่าคุณจะอนุโลมอย่างไร อุปจัยยะเนี่ยให้มันเกิดไม่ให้เกิดมันก็ต้องเสื่อมชราตาเพราะยันตัวอุปจยะกับสัมตติตัวกลางต่อเชื่อมอยู่ระหว่างเกิดกับดับเกิดกับดับคุณก็อยู่กับอณิจจตาอยู่กับความไม่ที่งของทั้งหลายในมหาจกวาร น, นี้ในเหตุปัจจัยทุกอย่างในโลกนี้ เมือนกับพวกคุณเนี่ยนะทะเลาะกันไม่เสร็จเพราะความไม่เที่ยงดันกันไปดึงกันมามีแต่อัตตาชกกันนี่แะคือธรรมาธรรมะสงครามในชาวอสศกสนุกชิบหายเลยอัตมาฟังหูจะแฉะจะแตกตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็มาขอมูเดี๋ยวข้างนี้ก็มาเดี๋ยวข้างนี้ก็มาเออเอาัดกันก็ไปมันไม่เหนื่อยกันสัดกันกัไป แต่เจตนาที่มานี่มามาอาตมาก็พาให้มาขึ้นเวทีชกชกันจะชกกันคือใครรู้ดีก็ชกอย่างมีปัญญาคือชกอย่างอย่ามีอัตตาชกอย่างแพ้ก็แพ้วะแต่อะไรพันเหมาะพอควรได้เรารู้ว่าอันนี้ควรเออเราก็พอสมควรไม่ใช่ดันทุรังว่า จ, จะต้องอยังงี้ยังงี้งี้เอาดึงกันโอ การทํางานร่วมกันรวมกันเป็นหมู่รวมกันเนี่ยอาตมาเคยเตือนสติว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันกันเป็นคนปรารถนาดีมีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิโดยเฉพาะมีทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจมีจุดสําคัญร่วมกันแล้วทิฏฐิสามัญมีจุดหมายปลายทางร่วมกันรู้เห็นว่าเราจะไปยังไงไปเพื่อลดละนายคลาย หมดอัตตาตัวตนแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ตัวยกแต่อัตตามาตีกันอัตตาใครอัตตามันซักกันอยู่นั่นแหละนะเพราะเราก็ต้องดูว่าเอออันนี้มันสม่ำสมควรนะโดยเฉพาะเอาง่ายๆก็คือเราให้เกียรติแก่หมู่หมู่นี่เราต้องยกว่าเป็นผู้มีปัญญามามีจุดหมายเดียวกัน มีปัญญาร่วมกันว่าเรามาทำเรนี้เพื่อเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อหมดตัวตนคนมานี่คนฉลาดไม่ใช่คนโง่มาที่มาปฏิบัติวิธีนี้คนฉลาดนะคนที่ไปปฏิบัติหลายสำนักถูกหลอกไปพวกคุณที่มาไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้ถูกลกล่อมไม่ได้เอาอะไรหลอกคุณไมไ่เอาอะไรหลอกคุณ หลายสมณะก็ไปถูกหลอกแล้วก็ไปถูกให้หลอกให้นิ่งหยุดอะไรอลไรไปแต่อันี้เราไม่ใช่ดิบ ด, ดีถูกหลอกไปถูล้วงตับกินไส้อีกต่างๆเราหากเอาละก็พอที่ี่ของเรานี่ให้เกียติกันว่าเรามาด้วยปัญญาแล้วเราก็มาศึกษาเรามาลดอตัตราแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จักอัตราเราเองจะทะเลาะกันด้วยอตัตราอัตมาว่า วิชาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะวิชาศาสตร์เราเนี่ยงานใหญ่เจงานเจคราวนี้นี่คงจะจะดูซิว่าสงครามธรรมาธรรมะสงครามนี่มันจะสนุกกันขนาดไหนะจะมีศพกี่ศพ บาดเจ็บกันกี่คนแผลวะหวะกันเลือดแผลเล็กแผลน้อยกันดูนี่นี่ยังไม่รู้ว่าตกลงกันนี่นะทำทั้งตักตั้งเต้นใจสร้างอะไรแต่อะไรนี่มันตกลงกันได้ยังทําไปยังจะถึงวันงานแล้นะเรียบร้อยแล้วนะนั่นแหะมันก็ถูไทยกันไปเป็นออกมาอาตมาเองกันไม่กลัวหรอก ตอให้คุณไปปิดถนนทั้งหมดอัตมาก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณก็โทรรับดูกันแล้วกันว่ามันจะมีผลไหมยังไงคุณก็เล่กันแล้วกันก็บอกว่าไม่รู้ว่าคนที่จะปิดถนนทั้งหมดชนะว่ากันเถอะนะชนะแล้วก็ปิดถนนเลยก็ลองดูนีปิดเลยนี่อัตมาว่าได้เรื่องแน่เลยจะบอกข่าวให้ตอนนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดคณะนั่นน่ะหน่วยที่เขาจะเขาฟ้องไปเลย ไปยื่นเสนอคอสอชอเลยยื่นเสนอคอสอชอเลยคนประมาณสี่สิบคนนำโดยนายเมธชัยเขานหนึ่งให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิบนที่สาธารณะ สองให้ตรวจสอบการเกิดขึ้นของหมู่บ้านหมู่สิบนี้ข้าอาหมดเลยนะเอาให้ดับเลิกหมู่บ้านนี้คือหมายความว่าจะสลายหมู่บ้านราชธานีอโศกเลยเอากันถึงอย่างนั้นขอให้ตรวจสอบการเกิดขึ้นของหมู่บ้านหมู่สิขอให้มีการตรวจสอบการขนการขุดดินจากพื้นที่สาธารณะเข้าไปถมที่เพื่อปรับปรับพื้นดินในชุมชน ขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงงานต่างๆสำหรับปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินนั้นเขา ก, กล่าวพาดพิงไปถึงผู้ชำนาญการวิเศษของทางพนักงานต่างๆอะไรต่ออะไรเาก็รายละเอียดมาอีกนี่คือเขาให้ตรวจสอบคิดดูซิในประเด็นทั้งหมดนี่เขาแค่4ี่ประเด็นเนี่ย ก็ท่าก็จะรู้ว่าที่นี่นะมันเป็นที่ทุจริตนะเป็นที่ทุจริตเกิดมาได้ยังไงเออแล้วมันก็เกิดมาได้ยังไงถึงขั้นมีหมู่เป็นหมู่บ้านทางทางการเลยนะเออถ้าเป็นหมู่บ้านที่ว่าเป็นชุมชนที่มันไม่ได้ขึ้นกับทางการไม่อะไรอยู่นะเอออีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นหมู่บ้านไป็ทางการมาตั้ง10บกว่าปีแล้วนะ นะยี่สิบปีแล้วแต่ปทศ์ยังไม่ถึงสามเก้าได้รับตั้งสามเก้านี่เพิ่งจะหนะ้าเต็ดอ่าส8บแปดนี่เขากะจะล้มเลยเอา้าเราก็ใจดีสู้เสือเสือมีเขี้ยวใจดีสู้เสือนะ่ เขาไล่รายาละเอียดมาหมดเลยนะเขาบอกว่าเนื่องจากที่ดินดังกล่าวนี้เป็นประเด็นปัญหาตั้งอยู่ในเขตบ้านนะมันเป็นที่ของป่าบุงป่าทาม่างนั้นเนี่ยก็มาออกร่วมมือหัวกันกับเจ้าพนักงานมาทำโฉนดออกทับที่สาธารณะสรุปง่ายๆก็วาง เขาเรียกกันว่ากลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร่วมมือกับ ก, บกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดินได้มีการเดินสำรวจนะขว่างเงินเขารู้รายละเอียดหมดเลยนะเราซื้อที่มาเท่านั้นเมื่อนันเมื่อนี่อะไรรู้หมดนะแล้วก็ที่นี่มามีคนได้มาก่อนเรเอาไปจำนองจำนำธนาคารได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้โอ้โหเก่งจริง แล้วเราซื้อมาจากศารซื้อมาจากศารอีกทีด้วยเงินหกล้านสองแสนบาทโดยกองทัพรรมูลนิธิเป็นผู้ประมูลได้ในที่สุดอะไรนี่เขารู้หมดเลยนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเป็นอยู่พวกเราเนี่ยนะแล้วก็ทำไปแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยต่างๆของผู้ที่เขาเองเขา มองเราอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเองเรานี่โอ้โหจะทำอะไรก็ได้จะทาอะไรก็ยังไม่ต้องมันจะมันังเลยนะมันก็จะเกิดไม่สงบนะเราก็ต้องรู้จักอนุโลมปฏิโลมเอาได้พอประมาณไม่ต้องไปอะไรนักพอสมควรพวกเราก็มีความรู้พวกเราหลายคนก็มีปฏิภาณก็ทวงทวงกันไว้ อาจารย์เข้าใจทั้งสองด้านด้านนึงก็อยากจะให้กว้างให้ใหญ่ให้ดังให้แพร่ขยายอีกด้านหนึ่งก็บอกเฮยยอยๆไว้หน่อยเท่านี้ก็พอได้หนะ้าเราก็คนก็เท่านี้แรงงานก็เท่านี้ความเก่งความสามารถเราก็เท่านี้อิทธิพลก็เท่านี้อิทธิพลของนอกเขามีเยอะก็ทบสัมผัสแล้วแล้มันจะเป็นยังไงอะไรต่างๆอนานตจะไปกระทบอะไรยังไง สิ่งเหล่านี้ต้องใช้สับปธรรมเจ็ดประการทั้งนั้นและพร้อมกับมหาประเทศสีเหตุปัจจัยต่างๆก็เอามาดูหลักฐานข้อมูลต่างๆแล้วก็โอกาสอันควรอะไรแล้วแต่มีข้อดีข้อด้อยสวอตก็ทำกันไปแล้วเรียนกันไปแล้วเราจะทำยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นการศึกษาแบบ ปรากฏการวิทยาย่างพวกเรานี่แหละนี่เหตุการณ์พวกนี้เราก็ไปร่วมศึกษาเป็นร่วมผู้ปฏิบัติเรียนนี่เราเรียนลงมือเรียนปฏิบัติทั้งนั้ น, น, นจนกระทั่งกรรมการเลือกครูเห็นส่งลายมาบอกว่าผมคงขอพักสู้ไม่ไหวแล้วอัตราที่นี่เยอะเหลือเกินแต่ข่าวอย่างใครได้ข่าวแล้ว ได้รข่าวหลายคนนะอาจารย์บอกไม่ไหวแล้วขอพักอัตตาเยอะแล้วกันคนมันราชเนี่ยผู้ที่จะมาเป็นกรรมการผู้ที่จะมาให้ความรู้ช่วยสอนช่วยแนะนำเป็นเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอ ร, เนเนเนอร์เป็นโค้ ไม่ใช่กรรมการทีเดียวเป็นกรรมการในตัวแต่กรรมการไม่ใช่กรรมการแท้เป็นโคส้สซะมากกว่ามาช่วยทําบอกโอ้โหแนะนำพาทาไม่ไหวบอกมันทับไม่เอามันบอกว่าอย่าไปชกเขาจะชกโค้ก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้เทรนเนอร์หรือโค้ เราต้องเรียนรู้อัตตาของเราจริงๆเลยพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีสงครามของกามเท่าไรอย่างลาบอย่งยศอย่างสันเสริญแย่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเบาไม่ใช่สงครามข้างนอกไม่ใช่สงครามหยาบมันก็น่าดีใจว่าพวกเราเนี่มันทําทํา ประทัสงครามระดับไหนมันทำสงครามขั้นเทพพวกเรานี่ทำสงครามขั้นเทพแต่เทพเขี่ยวยาวเป็นจตุมาจตุมาหาราชิกาต่างคนต่างก็มีเงาเงามีหอกมีดาบเห็นไหมร้องเท้า สเท้าที่สี่ทิศจตุมหาราชกาที่เฝ้าอยู่สีทิศอยู่ที่วัดโพกระดีวัดเยอะแยะหลายวัดมีวัดวัดแจ่งก็มีวัดมหาราชวังก็มีวัดอะไรวัดพระแก้วก็มีวัดโพก็มี ทั้นั้นเนี่นี่คือปุกลาธิฐานที่จริงทั้งนั้นเลยเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นว่าตัวเองมีมีจตุมหาราชิกาเขี่ยวยาวมั้งเห็นเขี่ยวตัวเองเห็นมหาราชิการาชิกาอัตตาอย่างที่เป็นเทวดาสีนี่นะอธิบายเทวดาสีฟังหฮ้ยเก้ามงสสบแล้ว เมื่อกี้นี่กี่โมงเริ่มส8บปดเท่าไหร่นะสิปดย้าอันนี้มาส30สิบแล้วอ่ะนะเอาไว้เล่าวันหลังอะไรกันเทวดาหกเทวดาหกก็อัตตาอัตตาทางนี่แหละเทวโลกอัตตาเทวโลกนี่ก็เป็นซึ่งพวกเราเข้าใจแล้วจตุมหาราชิกาจริงๆส่วนนยยะอีกเหล่านั้น น, นนะตั้งแต่ ดาวดึงดาวดึงนี่นคือได้เสพรถเป็นเทวดาเสพรสได้สมใจสุขเสร็จแล้วยามาเนี่ยก็คือเวลามันจะต้องเอานานเอามากเอานา น, า น, านยามะเทวดาเอา น, าน่าเอามากเอานา น, เ, า น, านเสร็จแล้วดุสิตเนี่นคือมันพักยกมันอิ่มมันนอนหลับมันสงบดุสิต ส่วนขั้นที่ห้านั่นมันคือกูจะต้องเอาให้ได้เนรมิตให้ได้สร้างให้ได้ทำไม่ได้ตามที่กูหมายถึงถ้าได้ถึงจะได้ถึงจะสุขนิมานนรดีระตีระดีเนี่ยคือจิตที่มันสมในกิเลสเสพสุข ันต้องเอาให้ได้ต้องมาเป็นตัวจตุมหาธิการนั่นแหละมาเป็นตัวมารใหญ่นั่นแหละจะตุมหาธิการอะแย่งให้ได้สร้างให้ได้ทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้พอได้แล้วก็สมใจสุปริมิตรมัศปตินั่นก็คือใหญ่แล้วใหญ่สุดแล้วไม่ต้องทำเองแล้วคนอื่นทำให้หมด ปริณิปรินิมิตวสวัตค์นี่คือเทวดาเทวโลกสัตว์เทวดาสีหกชั้นเนี่ยนั่นเป็นตัวร้ายทั้งนั้นเลยเทวดาเทวดาแล้วมันน่ากลัวชะมัดเลยเทวดาขี้หมาพวกนี้ยแล้วหลงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเทวดาแ ท, ท็เทวดาหลอกสมุติเทพทั้งนั้นเทวดาหลอกทั้งนั้น เห็นได้จริงเข้าใจให้จริงสัจธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยขอพระเจ้าน่ยไ ม, นไม่เป็นทั้งเทวดาไม่เป็นทั้งผีทั้งมารอะไรทั้งนั้นหมดจิตไม่มีอัตภาพในการเป็นเทวดาไม่มีอัตภาพเป็นมารเป็นผีอะไรทั้งนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์จริงจริ ง, ร ง, รงพลังการปฏิบัติประพฤติพวกนี้พวกเรากําลังปฏิบัติทมอย่างดีมีเหตุการณ์มีโอกาสมีอะไรอะไรเข้าไปก็ ดีอย่าหนีโจทย์อย่าหนีสงครามนะสรณะเนี่ยมันแปลว่าที่พึ่งโดยอัดเป็นไว้ที่พึ่งโดยพยัญชนะแปลว่าประกอบในการสรงครามเพราะฉะนั้นผู้ใดฉลาดในสงครามธรรมะธรรมะสงครามสารณะเนี่ยทำที่พึ่งนี้ให้กเกษมได้จนอรณะ อย่าให้มรณะก่อนนะนเพราะงั้นทำกระนะทำกระนาะทำกิจกระนะคือกิจนี้แหละให้มันจบกิจให้ได้รู้จักสัจจะนะสัจจยานแล้วก็กิจยานรู้จักการกระทาที่เราทาอยู่นี้เราบุพตเราปฏิบัติเราอะไรอยู่นี่กิจยานให้มันได้ผลให้มันเกิด การเจริญทำกิจให้มันได้เจริญจนกระทั่งมันสมบูรณ์แบบเป็นกิจยานจบไรกะตานยา น, ยานเห็นครอบสบูรณ์ได้ผลสมบูรณ์แล้วะครบจบกิจจบสุดท้ายเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบนั่นพร้อมได้บรรลุทำหมดทุกอย่างก็จนกระทั่งมั่นใจแน่ใจทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตเป็นศูนย์หมดเรียบร้อย อะไรพวกนี้ได้ผลรักษาผลจนบริบูรณ์จนเป็นสมาฮิตังจนเป็นวิมุตตเรียบร้อยนั่นแหละป็นจะจริงมันจะสมบูรณ์อย่านี้ทับก่อนละอ่ะอย่าท้อง่ายนะักนะ อย่าทอง่ายอย่าถอยง่า ย, ย, า ย, ายมันเป็นสนามรบเป็นมหาวิชารามที่ประเสริฐแล้วน่ะเอาดีๆนะเนี่ยตมาอธิบายหเห็นเป็นปัจจุบันธรรมอธิบายหเห็นสัจจะความจริงทั้งเราเป็นผู้ฝึกผู้ปฏิบัติไปด้วยเอาทฤษฎีพุทธเจ้าเอามาขยายความอธิบาย ให้เห็นทั้งภายนอกภายในใหเห็นทั้งปริยัติและก็ให้รู้ทั้งปฏิบัติที่เรากําลังปฏิบัติและจะปฏิบัติเพราะงัได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะต้องเอาไปใช้เอาไปใช้มีธรรมาวุธต่างๆใช้ดีๆเป็นจอมยุทธที่มาจอมยุทธเก่งๆเขาเนี่ยไม่ต้องกระดิกเลยนะเซตหมดเลย เห็นไหมมีอาวุธยงไม่ต้องกระดิกเลยทาโดยไม่ต้องทาฟันโดยไม่ต้องฟัน <c oughs> เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะเป็นความจริงสามารถทำได้ก็จะเห็นแล้วเขาจะเข้าใจ พวกนี้เข้าใจง่ายเข้าใจชัดเจนอ๋อมันหมายถึงนี้เขาก็เข้าใจหลายๆอย่างก็ผสมผสมปูโรปุเรขัดแย้งกันในตัวหนังจีนก็ตามอ้าวเอาละอัตมาใช้เวลาผ่านไปตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะสอบจะถามจะสรุปไม่ว่าจะให้ความเห็นจะอะไรก็แล้วแต่ก็เชิญ ใครอ้อยกมือเอาไมโครโฟนไปใครได้แล้วไมโครโฟนได้ก่อนแลเอาเลยเอ่อโนยกมือตรงโน้นเราไม่มียกก่อ น, น, นยกก่อนให้ไปเลยเอ้าพึ่งบุญนั่นใครพึ่งบุญเห็นยกสูงคนไหนคนอื่นอาตมาไม่เห็น ยกค้างไว้ดิจะได้รู้ครับกราบนัมรสการพระท่านครับเอ้าผมพ่ามานี่เลยครับกราบรัมราสการคณะแล้วก็หมู่สองอ้าวฮะเปินพี่ขนเพินให้จับไม้บ้างนะฮะ ก็กล่าวสโลกธรรมของพ่อท่านก่อนละกันนะครับ uh huh. จากสโลกธรรมครับจากเมื่อวันอาทิตย์ที่พ่อเคยกล่าวว่าจะสร้างขนมต้องฝระนีตต้องจะสร้างจารีตต้องประหยัด uh huh. ทีนี้มาถึงปีห้าสี่สี่สิบห้าครับน้ำทั่วหมดเลยอาจารย์นิรันมาข้างบนจากที่พ่อกล่าวเมื่อกี้แม่พ่อเหมาะจริงๆบ้านราช จอมยุบบ้าบ้าได้มารวมตัวกันไทยวุธบ้าบาบมาโชว์แผลกันว่าใครยังไม่ตายใครยังไม่ตายทีนี้เข้าเรื่องที่จะถามพ่อท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่เมื่อวันพุธเรื่องอาการส2บสองซึ่งอยู่ในสติเรื่องกายในกายครับก็มีเรื่องของ อาการ32ก็จะถามเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะก็มีผมคนเล็บฟันหนังแล้วพ่อพยาาอยู่ที่หนังว่าเป็นตัวห่อหุ้มซึ่งผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นแค่ธ า, นะาตุนะฮะทาตุมนสิการนะฮะว่ห่อหุ้มแต่ว่าเป็นตัวสําคัญนะฮะที่จะห่อหุ้มแล้วก็มีอวัยวะที่ยังไม่ได้ถวนต่อไปก็เนื้อนะเนื้อ เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหมามหัวใจตับปังผืดไตปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเชื้อในสมองแล้วก็ดีนะฮะดีเสเลตน้ำตาดีเสเลตน้ำเลือดน้ำน้องนะฮะน้ำเงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมัน น้ำมูดน้ำลายขายข้อแล้วก็มูดทีนี้จะทำเพาะท่านต่อว่าอาการส3ที่ว่าดาวดึงเนี่ยเป็นตัวอะไรครับตัวผีหรือมารเทพปุตตมารใช่ไหมครับผีหรือมารเป็นตัวที่ส3สาตาวดติงสะปลายว่าส3มสบแล้วก็มันมีเพลงเพียงความรู้สึกนะะ เหมือนที่พอ่อท่านสอนมาให้รู้เป็นเพียงกับความรู้สึกจเจ็บลึกปวดร้าวสักเท่าไหร่แต่ตอนขึ้นเพลงนี้เหมือนผู้ชายแต่ว่ายังมีความกังวลความอาวรเรื่องเรื่องเรื่องราวก็เป็นถึงก็เพียงเสียงเรียกของหัวใจเกิดได้ดับได้ไม่จีรังแต่แล้วก็กชีวิตทั้งชีวิตยังอันดิจังมีหรือความหวังไม่พังพิน เรียนรู้ทุกกระแสที่แปลเปลี่ยนก็ลองซะเลยสิสิแล้วตอนท้ายมันเหมือนปุริสภาวะครับอาการนั้นเบื่อหน่ายทุกทนจนอา จ, จินเลยประหารจึงโหดหินหักหาน ร, รานต้นรักและเพลงนี้จบเป็นไมเนอร์เต็มต่ อ, อยาก <c oughs> แค่นี้แล้วกันครับเออแลวทุ <c oughs> เอาเพลงมาเป็นประโยชน์ได้สอนใจเลยประหารรานต้นรักเนี่ยอาตมาให้พอสเลยนะยุดไม่ค่อยต่อเพลงนี้กาบนมาสการค่ะท่านพ่อครูค่ะดิฉันเพิ่งบุญนะคะรู้สึกว่าที่อุทยานเนี่ยค เรามันเป็นฟาร์มรู้สึกของพวกเราหรือเปล่าว่ามันคับแคบแต่บางครั้งที่เราไปได้สัมผัสลูกค้านะคะคือเราได้ออกไปเดินไปยกจานยกอะไรเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขามาเยอะๆรู้สึกว่าเขาอบอุ่นแบบได้มากินเจได้มาหนาแน่นอย่างเงี้ยคะ่ะเขารู้สึกอบอุ่นแต่พวกเราคิดไปเองคือว่าทํางานไม่สะดวกไม่กว้างไม่สบายอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยคิดไปว่าจะขยายออกไปจนถึงปิดถนนอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้น <c oughs> ที่ขยายนะมันแผ่อะไรตะไรออกไปนะมันกว้างขึ้นมันขยายขึ้นขยายทั้งสถานที่ยขยายทั้งอะไรตะไรตไร่ไมีนยัยสันซอนอะไรอยู่บ้าง <c oughs> ก็มันก็เป็นธรรมชาตินะมันก็ไม่มีมันไม่เสียหายอะไรถ้าผมมันเหตุหปัจจัยครบพอสมควรแก่การอะไรต่ะไรต่าง น, น, นานา น่ามันต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่เราจะต้องรู้องค์ประกอบเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องเอาเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบนะ่ะมาประมวลกันบวกลบคูณหารกันโถงน้ําหนักกันอ ะ, อะไรก่อนอะไรมันจะเอาแค่ไหนก่อนสรุปแล้วมันมัจตัญจุตาจัดสัดส่วนแล้วเราจะเอาแค่ไหนอย่างนั้นก็กราบขอขอภัยค่ะดิฉันอาจจะมองอะไรไม่กว้าง มองอไม่เป็นอย่างนี้อ่ามันมันก็ไอ้ยมันก็ได้มันก็เห็นง่ายๆ่ายอย่างที่พูดนะมันก็เห็นง่ายๆมันก็เข้าใจอยู่มันก็เป็นสําหรับคนที่มีความคิดอย่างคุณพูดก็ไม่ใช่ไม่มีมีความคิดอย่างคุณพูดก็มีอ่าอย่างนั้นเอาเรื่องกิเลสเราดีกว่าอา้อาวอ้าลองดูคือว่าวันนั้นฟังท่านดวนดีนะท่านเทศว่าเราก็ทิ้งอะไรกันมาหมดแล้วแต่ก็มาเจอพอเจ อ, เจอสละเปลาเขาก็ ทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะที่ชาพอได้ยินเสียงเอ๊ะสลับเปานี่ทําไมมันมันแค่เสียงขนาดตายไม่กระทบรูปเลยค่ะเสียงสลับเปาแต่รสมันอยู่ข้างในกายแล้วเนี่ยอโมันมีรสเอ๊ะสลับเปามันมีกินได้ยินเสียงมาชื่อสละเปาแค่นั้นนะมันมีกินอะไรอยู่ข้างในเรานี่เรียกว่าอะไรสังขารคะอย่างนี้ จิตสังขารหรือว่าใช่ใช่ใช่ใช่จิตนั่นแหละมันปุ่งแต่งอยู่ในจิตนั่นแหละค่ะตัวนี้มันเป็นรถสละเป่าขึ้นมาเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเราก็ดูมันนะฮะอมีตัวรู้ออกอยู่ในจิตอย่างเนี้ฮะแล้วเราก็พี่หรอกเข้ามาก่อนแล้วฮยังไม่ทันเจอตัวจริงเลยนะพี่หลอกเขาก็เราก็คิดบอกว่าโอ้นี่แค่เสียงทําไมมันมีรถได้อีตัวรู้ของเราก็บอกว่านี่ถ้า เราไปอุทยานเจอรูปเราจะแพ้หรือเปล่าอย่างนี้ เ, ออเราก็ตามดูได้กลิ่นมันอีกเนาะตามดูสะพัดรูปร่างมันอีกโอ้โหขาวชั่วหรือว่ามันสีสวยหรือว่ารูปงามอะไรอย่างเี้ีเหลืองหลืองอมันรูปเห็นแล้วหน้าเจี๊ยอะไรอีกาะเง้ <laughs> อยู่ในกาย อย่างนี้จะเรียกว่าที่พ่อท่านว่าไหมคะว่าจะตายสักกี่ศพอย่างนี้ใช่หรือเปล่าตายให้กับเปดอย่างนี้อย่างนี้เปดอยู่ข้างในใช่ไหมคะไม่ใช่ที่วาดวาดใ ช, ใช่ใช่ใช่ชอ๋อนี่แหละจะเห็นได้ว่าอย่างง่ายๆแค่นี้เราจะเห็นได้ว่าคนทั้งโลกแม้เราก็ผ่านมาแล้ ว, วก็กลายเป็นคนอวิชาแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรไมไ่เคยคิดจะมาสังวรระวังให้รู้จักผีรู้จักมารรู้จักบําเรอ แล้วก็ดูจะโง่อยู่แค่เป็นเทวดาปลอมเทวดาเกยเทวดาเท็ดอยู่กับมันอยู่นี่แหละชีวิตมีเท่าเนีอ้อะไรมันจะโง่ขนาดนั้นนะคนนะเห็นไหมแล้วมันก็โง่อย่างงั้นจริงๆมั้ใครไม่เคยโง่อย่างงั้นบ้างลองยกมือให้ดูดิสักคนจะได้รู้อหรหันต์เกิดตรงนี้แล้วถ้าเราก็อ้าว ว่าไงต่อการก่อการก่ออย่างเขายังไม่จำวางหมดไม่เลยอย่าเพิ่งตัดเร็วใจร้อนแล้วก็เราก็มีตัวรู้ค่ะว่าเรื่องนี้มันสําคัญก็จะเชื่อมโยงไว้ถึงเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรด้วยถ้าเรื่องตรงนี้ถูกรายก็รูปโลกเรื่องสัมผัสมันต่อเนื่องกันหมดนะจริงจริงแก็รูปโลกเรื่องสัมผัสเองผู้หญิงผู้ชายก็รูปโลกเรื่องสัมผัสถ้าเราเราไม่สังวรตรงรดที่ว่ามันเป็นรสตะลัเปารสอร่อยเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปอีกใช่มันก็เป็นเชื่อ ก็ต้องเชื่อเชื่อกามยังประมาทไม่ได้ถ้าไปเห็นลูกเชื่อกามมันก็ไปเรื่อยๆกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอโอกาสพ่อครูค่ะอ้าวครสดนวชาวหินฟ้าค่ะอ้าวใครฉันนิสิตดาวพรชาวหินฟ้าค่ะอ๋อดาวพรก็ได้ยินข่าวที่อาจารย์พูดก็รู้สึกสลดใจนิดนึงนะคะเพราะว่าดิฉันก็คิดว่า พวกเราอยู่ในสนามลบซึ่งมีอาจารย์ท่านได้มาทำสวอตให้นะคะหลังจากที่เราได้สังเคราะห์วิเคราะห์กันเพราะว่าห้องเรียนของเราอาจจะอินสถาทานไปหน่อยนะคะเพราะว่าเรานี่พวกเราอาจจะสื่อออกมาด้วยจิตวิญญาณที่มีความจริงใจนะคะอาจารย์ท่านก็อาจจะรับไม่ได้บางส่วนนะคะใช่ใช่หลังจากที่เราสังเคราะห์ อ, อะไรกันพวกเรามันเป็นยังไงมาค่ะพวกเราก็ ก็รู้สึกว่าเรามีตัวนอดหลุดแสาจารย์หรือเปล่าตอนที่อาจารย์สอนนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นสงครามระหว่างค่ายกันอยู่แต่ทีนี้เราก็คิดว่าเราไม่ได้เอาอัตราของเราเป็นตัวตั้งเราเอาหมูเป็นตัวตั้งหรือเปล่านะคะในหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ผ่านมาเราก็ได้คือคือก็ได้ก็ได้ทำการวิจัยอยู่ค่ะว่าเรามีจิตยังไงเราอยากได้อะไรแค่ไหนแต่ก็คิดดูแล้วว่า มันเป็นสิ่งที่ต้องมาทดสอบนิสิตรุ่นรุ่นนี้แล้วค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้ให้ความรู้อะไรหลายๆอย่างนิสิตเราก็ได้ไปทํางานจริงแล้วก็กลับมาสวทแล้วก็กลับไปทํางานมาสรุปกันนะคะพวอครูบรรยากาศมันกลับดีขึ้นนะคะต้องกราบขอบพระคุณทัางนะอาจารย์แล้วก็ที่หนึ่งฟ้านะคะที่ที่ได้นําอาจารย์มาเพราะว่าแม้อาจารย์จะยังไม่เข้าใจพวกเราในวันนี้นะคะ แต่เราก็คิดว่าดีเอเราได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะมันเป็นความไม่เก่งของเราที่เรายังลดกิเลสบางส่วนไม่ได้นะคะแต่เราก็ยังไม่อยากให้อาจารย์ท้อนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ท้อนะคะตอนนี้แม้จะมีการผิดพลาดไปบ้างนะคะดีฉันคิดว่ามันเป็นรอบที่เราต้องเรียนรู้นะคะพ่อครูเป็นรอบที่เราต้องเรียนรู้ว่าจิตเรานิ่งแค่ไหนจิตเราเป็นยังไงเราจะผ่านไม่บทบทนี้บทขดอสอบนี้ หลังจากที่ที่เราได้ทําสวท์เป็นเสร็จบรรยากาศ ก, กับดีขึ้นนะคะนิสิตนี่นี่นิสิตนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะนิสิตที่ไม่เคยออกจากพบมามาช่วยงานเพื่อนนี่เขมาแล้วก็ขนควายดีมากเลยค่ะพวอครูจนงานเจนี่ไม่คิดว่าจะเข้าเป้าเร็วนะคะกับเข้าเป้าเร็วกว่าทุกปีค่ะแล้วก็เป็นแต่ละคนนี่ฉันประทับใจวันนี้ยังนั่งประทับใจแทนพวกครูนะคะว่าทําไม เราเกิดมาโชคดีนะีที่มีพี่น้องที่มีอวามร่มการเดียวกันแล้วก็ ม, มาทํางานที่เสียสละจริ ง, รงๆแล้วก็ไม่มีใครสั่งงานใครนะคะแม้แต่ฉันผู้ประสานงานนี้ฉัน ย, ย, ยังรู้สึกละอายที่ฉันยังทํางานน้อยกว่าพี่ๆน้องๆที่มาช่วยนะคะ ม, มันเห็นวิญ ญ, ญาณตัวนี้แล้วก็จิตที่มันทุ่มให้งานแล้วมันมีพลังพลังของขอ ง, ของนิสิตรุ่นนี้เนะี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะคือไปงานไหนมันก็สําเร็จนะคะแม้แต่แม้แต่วันนี้ล่าสุดก็สรุปได้ว่างานเราสําเร็จไปแล้ว 80% เราเหมัอนกับว่าไม่มีนิวรณแล้วเรื่องงานนะคะแต่เรื่องสภาพวิจิต ท, ที่ท่านใดที่ยังตกล่อนอยู่นะให้ท่านก็อยากอยากกราบกราบขออภัยนะคะในในฐานะที่เราประสานงานไม่ดีหรือว่าเราเราเรากลียดเรายังเยอะแค่นี้นะคะก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันสู้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นห้องเรียนที่วิเศษจริงๆค่ะถ้าเราสู้ได้นี่ก็คือ เราก็จะได้บรรลุปไปตามๆพวกครูปไปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะก็ต้องกราบขออภัยนะคะที่อาจจะผิดพลาดไปนะคะหรือว่าหรืว่ายังไงไปนะคะที่อาจารย์ยังเข้าใจเราไม่ได้หรือเรายังเข้าใจอาจารย์ไม่ได้ก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณท่าน<อ>ทำให้ดีๆดีๆไว้หลังอาจารย์ก็มาเองครคงไม่ทิ้งทีเดียวหรอกอ้าอ้า กลับกลับขอโอกาสค่ะพ่อครูเขาวันนั้นทดสอบเมื่อวานนี้ที่ที่พวกเราไปทำงานแล้วนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้ไปดูเราเหมือนกันท่านอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ร่วมอยู่ในกิจกรรมของเราทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยู่ในชั้นเรียนหรือว่าเราจะไปทำกิจกรรม อาจารย์จการเดียวเราฟ<ะ>ิโนเมนลฟิโนเมนอลจิอย่างแบบนั้นนะแล้วอาจารย์ก็จะรับฟังนักศึกษาทุกคนเลยที่มาบอกอมไม่ว่าจะเป็นตัวแกนที่ทำงานอยู่รับผิดชอบในชุมชนอยู่หรือแม้แต่คนอื่นที่มีความรู้สึกไม่สบายใจอะไรอาจารย์ก็จะรับฟังแล้วก็จะสอนแล้วในหนึ่งในนั้นฟลักก็จะเข้าไปคุยกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะฟลักจึงรู้ว่า ท่านอาจารย์จะเล่าหมดเลยท่านอาจารย์เป็นนิสิตจุฬารุ่นพี่นะคะคุยกันในฐานะพี่น้องอซีเบียริตี้จุฬานะคะก็คือเข้าใจท่านอาจารย์ค่ะคือท่านอาจารย์เห็นว่าเราเนี่ยฝราลักเชื่อว่าท่านเห็นเรานะคะว่าดีขึ้นเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยท่านถ่อมตัวนะคะพอรูท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนนอกเป็นเพียงการยาณชนเท่านั้น แล้วก็ท่านยังมีงานที่จะต้องทํามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งใจมากตอนนี้ก็ทําไปแล้วตั้งเยอะแล้วเกือบจะสําเร็จแล้วคือเรื่องการศึกษาแล้วก็กําลังจะเป็นสิ่งที่ท้าทายท่านคิดว่าท่านจะไม่กลัวอํานาจใดๆท่านจะทําให้มันสําเร็จให้ได้แล้วก็ฝากความหวังว่าให้พวกเราอะลดอัดตรานะแล้วเราก็จะสําเร็จได้เหมือนกันท่านก็เห็นว่าเราเป็นไปได้แล้วพวกเราในวันนั้นนะคะก็บอกถึงความที่เราก้าวหน้ากันไปจริงๆ แล้วเราก็เห็นจริงว่าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ว่าข้อเสียของเราอ่ะท่านอาจารย์มี่บางอาจจะมาจัดการเนี่ยท่านบอกว่าเราต้องดูแลกันเองเพราะคุณจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องทำซึ่งจะต้องมีสี่สี่วันนะเนี่ยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันส่วนท่านเป็นเพียงคนนอกจะเข้ามาก็เหมือนกับว่าท่านก็เห็นเราแต่ว่าท่านก็รู้ว่ามันหนักอะคะ่ะท่านก็จะไปทาของท่านก็เราก็ ทำของเราให้มันดีแล้วก็เราก็ประสานกันได้ฟารักเห็นอย่างนี้นะคะเพรวันนั้นก็คุยกันดีค่ะเอาน่าไมไรค่ะทีนี้ช่วยกันมันจะมีบุญคิดี่ามีหวังแล้วพ่อครูลองทดสอบนะว่าที่ฟารักเห็นนี้จริงไหมลองเชิญท่านมาอีกจะท่านมาแน่นอนเลยเอน่าให้เราดีเถอะมาค่ะท่านเราลดอัตราลงอีกสักนิดอทีนี้มาต่อเรื่องเมื่อตะกี้นี่ก็เป็นแค่เพียงความรู้สึกนะคะ ค่ะพระละขอถามพ่อครูนิดนึงจากเพลงที่พ่อครูแต่งใช่ไหมคะมาอาตมาแต่งทำนองอ๋อเหรอคะเป็นความรู้สึกนี่ของอิสาราหรือไงเนี่ยจอ่ะ ใ, ใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องนะอ้อคุณอิสาราเหอออรอแสดงสว่าคุณอิสารานี่ก็ ฟารักว่าเข้าถึงสภาวะที่พ่อครูลำต่อนี่ไม่งั้นจะอยู่กับเราจนแก่เลยพ่อครูนะถ้างั้นฟารักขอถามนิดน่ะมาตั้งแต่สาวจนเดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วที่บอกว่าก็เป็นแค่เพียงความรู้สึกเจ็บลึกเจ็บเปล่าจะเท่าไหร่ก็เพียงเสียงเรียกร้องของหัวใจแสดงว่าสภาวะนี้เป็นสภาวะไปที่เป็นเขาเรียกว่ารูปรูปรูปประสัญญาภายในใช่ไหมคะ แล้วคนคนนี้จะต้องไปทําเตวิชโชแล้วเห็นเห็นสภาวะเกิดดับว่ามันมีภาวะตัวนี้เกิดแล้วเขาก็ทําดับมันได้แล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นเพียงอนิจจังแล้วเขาก็ทําประหารห้าไปแล้วเพราะเปรียบเทียบกับชีวิตและเปรียบเทียบกับไอ้ความรู้สึกอันนั้นซึ่งมันก็สุดท้ายเขาก็คงจะมาทำใหม่ให้เกิดปุริสสินสีหรือว่าภาวะของปุริสสภาวะเกิดได้เพราะฉะนั้นก็เลยพ่อท่านก็เลยทําเพลงให้มันดับ แล้วก็จบลงมาตรงตู้หยุดน่ะเสียงเพลงใช่ไหมฮะทีนี้พระรักานิดหนึงทีนี้มาถึงภาษาทรูปกับโคจา ร, รูปเมื่อมากระทบกันก็จะเกิดพระกคิดว่าก็จะเกิดตรงที่หัตไทรูปที่พ่อท่านว่าแต่พ่อพ่อครูจะให้เป็นชีวิตรูปหรือจะให้เป็นภาวะรูปก่อนคะเอา้า<ะ>มันมันมารำดับถูกแล้ว พอภาษาทรูกโคจรรูปกระทบกันมันก็เกิดเป็นยานรู้พิภายยารู้รู้มาแรกเลยเราก็ต้องจับออกแบ่งออกว่ามันเป็นเอกกมันเป็นเอกหรือยังเป็นเปอกกระบรุษหรือยังส่วนมากมันก็ยังไม่เป็นเอกกรบรุษหรอมันยังไม่เป็นเอกกรตาได้เรามันก็จะต้องปนไปเป็นอไม่จงเป็นเอกทินรีเป็นอัตถะเป็น อิทธินทอิทินิทอิทธาตะอิทธตตะไม่ใช่อิทตตะเปอิทตตะอิทิตตะหรือเป็นปุริสตตะเป็นปุริสตตะถ้าเก่งแล้วปุริสปุริสตตะก็คือจบตรงนั้นเลยนั่นแหละตรงแยกให้ออกอาการนี้เมื่อรู้ตัวสภาวะของตัวอิทธิภาวะนั่นแหละคือตัวเพศที่ยังเกิดอยู่ค่ะปุริสภาวะนี่เป็นเพศที่จบจบเป็นจบ มันยังไม่จบง่ายหรอกแต่เริ่มต้นแยกออกว่าอาการของเราเป็นผีแน่มันเป็นเป็นปุริสภาวะไม่เป็นอิทธิภาวะแน่แล้วเราก็จัดการจับตัวให้ได้เราก็เห็นอาหารตัวหล่อเลี้ยงที่มันเป็นความชื้นอะไรนิดหนเราก็จับไปที่จิตไงคะทยาทุกคนคือตจิตมนณสิตรงจิตเนี่ยแล้วเราก็ดูมันจับอาการที่มันยังมีชีวิตของความเป็นสัตว์เนี่ยดิ้นดินอยู่สัตว์ โดยเฉพาะจับความแยกสัตว์นรกกับสัตว์รวมไม่ได้ oh, <okay. S 2> สัตว์องค์รวมกับสัตว์นรกเมื่อจับตัวสัตว์นรกจับสักกายตัวการู้มันได้ <Okay. S 2> แล้วเราก็ทําให้มันหมดชีวิตเพราะ ว, าวิธีหมดชีวิตก็ต้องด้วยอาหารสีเราก็ไม่ให้อาหารมันใช่ไหมครับไม่ให้อาหารมัให้มันจนกระทั่งอาหารสีนี่แหละตัณหา ให้มารู้จักนามรูปนะวิญญาณก็รู้นามรูปนามรูปแล้วก็เมื่อปัสสะก็มีตัวจริงเกิดเมื่อเปนตัวจริงเกิดมันก็จับตัวผีได้คือตันหาก็ลดตันหามันจนได้นั่นอาหารและรูปธรําสําเร็จจนสําเร็จพอมาปฏิเฉทรูปก็ตรวจสอบอาการซาวิญญาณัารอากอากินจันธ์ธรรมมาจงกระทั่งจบนะเมื่อจบอันนี้ก็ ครูก็จะเก่งทั้งนอกเล่นในกายวิญญาณวิจีวิญญาต่อเป็นวิญญาตารูปิเพราะครูมีคํานึงว่ามโนโวิญญาตเข้ามาเกี่ยวข้องในธรมชาติมโนมันทํางานโดยอัตโนมัติมั น, เ ป, น Energy, เป็นพลังงานเอนเนอร์จีมันเป็นพลังงานเอนเนอร์จีเป็นพลังงานที่เป็นตัวอยู่ในเพราะาเราจัดการสังกปะเจนี่ก็คือจัดการตัวนี้แหละจัดการพลังงานตัวมโนนี่แหละสังกปปะเจนี่คือจิต คือมโนโจัดการตัวนี้แหละมโนวิญญาตปัจจุบจีสังขารที่เราทําสําเร็จนี่เป็นตัวที่เจของสังกัปปะเจเนี่ยก็คือมโนวิญญาณที่เราทําสําเร็จนั่นแหละเป็นพลังงานของมโนต่อตัวนี้มันก็จะเป็นมโนปุพังคมาธรมามโนเสรษ้าเอาไว้ถบอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยผ่านไปถึงวจีสังขารในสมบูรณ์ ดับกามมวิตกหรือพยาบาทวิตกได้ดีแล้วจะเสร็จแล้วแข็งแรงดีแล้วคุณก็ออกไปเป็นวาจากรรมวิกรรมมันตะเป็นอาชีวะที่เป็นกายวิญญาณวัชีวิญญาณที่งยอดเยี่ยมนีค้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เราก็ต้องทำใหม่ ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกกี่ครั้งถ้าถึงจะได้ตรวจเอาเองไปรู้เหรอเดีก็จะบอกคุณว่ากี่ครั้งบางทีมันก็ไม่ลานครั้งเลยแหละทางนั้นนะบางทีก็หลอกเหมือนมันไม่มีนะพ่อครูบางทีมันหลอกเหมือนว่าเราจบแล้วยมันไม่มีอะไรมันหลอกเก่งเท่ากิเลสหลอกขอบคุณค่ะกิเลสเนี่ยแล้วมันตัวหลอกเก่งที่สุดนะค่ะกราบขอโอกาสพ่อครูค่ะดิฉันเมียงหมายมุ่งมาจนค่ะดิฉัน เป็นคนที่สื่อไม่เก่งค่ะก็อยากจะเรียนถามพวกครูนะคะว่าบางทีก็อาจจะเล่าย้อนนะคะว่าตั้งแต่ดิฉันได้รับแต่งตั้งและรับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อฟ้าดินเนี่ยดิฉันไม่เคยแสดงกิริยาว่าตัวเองมีอัตตาตัวตนต้องไปให้คนอื่นต้องมารับรู้ว่าตัวเองต้องเป็นหัวหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยนะคะทีนี้ าการและอีกตำแหน่งหนึ่งของดิฉันก็คื อ, อนิสิตบนบนะคะเราก็รับรู้ว่ า, านโยบายพักเพื่อฟ้าดินในรอบนี้ก็คือยกฐานะยกระดับบ้านวัดโรงเรียนขึ้นมาบ้านก็จะเป็นสังคมวัดก็จะเป็นการเมืองแล้วก็โรงเรียนก็จะเป็นการศึกษาโลกุตระ ในส่วนที่บอลบเกิดขึ้นมานะคะก็คือเป็นการศึกษาโลกุตระนะค ะ, ะสืบเนื่องจากงานเจนะคะนักศึกษาบอลก็ได้รูปอยู่ดีๆมันดับไปไงล่ะมอเรโฟนโออยู่ดีมันหายไปเฉยๆแสดงว่ามันมันมันหมดแบตวับไปเลยหรือไม่ก็ข้างในไอ้สายเซอร์กิตลมันขาดไปไง ทดสอบค่ะ อ, อีกตำแหน่งหนึ่งฐานะหนึ่งของดิฉันก็คื อ, อนิสิตบนอบอนะคะทีนีใน้ในการจัดงานเจในครั้งนี้นะค ะ, ะเราก็เราก็เรียนรู้จากท่านอาจารย์อนเนกนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หลายหลายท่านที่มาให้ความรู้เรานะคะในเรื่องการทำสวอตนะคะเสร็จแล้วในทั้ง4โมดูลที่อาจารย์บอกก็คื อ, อสาธาณาสุ นะคะ เ, เศรษฐกิจบุญนิยมการเมืองอาริยะแล้วก็การศึกษาโลคุตระแล้วเราก็รับทราบร่วมกันว่านิสิตบนบจะต้องร่วมกิจกรรมกับชุมชนนะคะในการจัดงานเจเสร็จแล้วกิจกรรมมันก็เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำการวิจัยหรือาการเากี่ยวกับเรื่องสาธารณาสุขบุญนิยมที่เราขยายออกไปนะคะ เ, เพื่อที่จะ ให้ทราบว่าชาวอโสกไม่ว่าการรับรู้ของคนทั่วไปก็รู้แต่ว่าชาวอโสกตัดผมสั้นใส่ชุดหม้อห้อมนะคะกินเจเดินไม่ใส่รองเท้านะแล้วก็ทำงานเสียสละอะไรแบบนี้นะคะเราก็อยากสถาปนาองค์ความรู้ทั้งสี่ด้านที่อาจารย์ให้มานะคะในงานเจเราก็เลยขยายออกไปว่า อนอกจากกิจกรรมที่เราขายอาหารปกติแล้ว อ, อย่างราคาถูกเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยเพิ่มด้วยซึ่งเป็นการเรียนรู้ของนิสิตบอณบขยายไปให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็ได้ไปออกสื่อนะคะที่ NBT เสร็จแล้วก็ไปการเชิญพี่น้องหน่วยงานราชการต่างๆ ให้รับทราบในกิจกรรมของพวกเราเป็นการเช็กตรวจดูว่าในการทำงานเนี่ยนะคะชาวจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเราไปเชิญเขาจะหาโอกาสไหนไปพบระดับหัวหน้านะคะดิฉันก็ได้ไปกับอายาดาแล้วก็อาจริงๆไปพบหัวหน้าต่างๆไปเชิญเข้ามาเพื่อที่จะมากินเจในเทศกาลนี้นะคะมันก็เป็นการเปิดตัว เรื่องให้เขารู้หน้าตาของเราในเรื่องนี้เขาได้มาเห็นกิจกรรมของเราตัวนี้ถือว่าเป็นการที่พ่อครูบอกว่าเราต้องมาทำการเมืองภาคท้องถิ่นนะคะเราก็ไปแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากเราก็พูดในเชิงให้เราเป็นเป็นชาวบุญนิยมที่เขารู้จักอยู่แล้วนะคะเราก็ถือโอกาสนี้ไปเชิญเขาได้มาทำบุญร่วมกัน ก็เขาก็ตอบตกลงทั้งนั้นการทําอย่างนี้เป็นการทําที่พอใช้ได้ถูกต้องหรือ ไ, ไม่เป็นใช่ได้ใช้ได้ดีทีเดียวค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะถามพ่อครูแบบนี้นะคะคือพวกเราเนี่ยะนะว่าจริงแล้วพวกเราที่ทําอะไรแต่อยู่ตรกตู้ันนี้เนี่ยแต่จริงๆนะมันรบกันทางสงครามธรรมะธรรมะสงครามแต่พฤติกรรมหรือว่าการ ป, รรปฏิบัติของพวกเราเนี่ยดีอยู่ดีอยู่ดี เป็นที่น่าพอใจอยู่<า>พูดแรง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเหมือนกับว่าพูดแรงๆใ <ขา S 1> น, นที่จริงๆก็โขกผีโขผีให้ตรงนั้นเองก<ข>าร <ขา S 1> ที่เราเข้าไปเราก็ใช้กุสโลบายอ่อนน้อมถ่อมตนไปทุกหน่วยงานนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากค่ะเขาก็เออก็ดีนะเรื่องสุขภาพแม้กระทั่ง ก็เป็นการสื่อให้พี่น้องชาวแพทย์ทางเลือกของเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเช่นหมอเด่นเนี่ยเขาก็ครบรอบ อ, อ, อายุวันเกิดของลูกเขาเขาก็เลยบอกว่าจะมารวมกลุ่มกันเพื่อจัดสมดุลทางสุขภาพจัดโครงสร้างสมดุลเนี่ยเป็นฟรีให้กับหน่วยงานต่างๆ ต, ต, ตัวนี้เป็นจิตใจของเขาที่จะขยายออกไปดิฮันก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ ถูกต้องนะคะก็เลยอยากเรียนถามพวอครูซึ่งดิฉันก็ไม่เคยแสดงตัวตนกับพี่น้องทุกคนว่าดิฉันเป็นหัวหน้าพักนะจะ ต, ต้องเบ่งข่มใครคนนั้นคนนี้แม้จะต้องได้รับกายวิน ญ, ญัติบจีวิน ญ, ญัติจากพี่น้องหลายคน <c oughs> ดิฉันก็อดทนมาเสมอก็เลยอยากจะเรียนถามว่าดิฉันทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแน่ละเราก็เอาดีเอาสิ่งที่เราเป็นประโยชน์เราไม่ไปหาเหตุที่จะต้องมามีการ ถ้าทำวิวาทะให้เป็นอาวิวาทะไว้ได้เสมอก็ดีแล้วนี่ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณกำไรกำไรเราไม่ได้เป็นตัวขาดทุนขอการค่ะกราบขอการ์ดค่ะดิฉันใบฟ้าค่ะอยากจะดิฉันอยากจะพูดความรู้สึกถึงครูเอื้อของพวกเรานะคะที่น้องบรรบคือททจานเด็กค่ะดรเนกณาคบุตรค่ะ สิ่งดีๆที่ท่านได้ให้ไว้กับพวกเราโดยเฉพาะที่ท่านมีความรู้สึกว่าความองค์ความรู้เกี่ยวกับสวอตนะคะจากการที่ท่านมาช่วยแก้ใช้หลักการนี้มาช่วยแก้แล้วก็ปรับปรุงการทํางานของโรงสีคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่เรนก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีการสานต่อมีความยั่งยืนประการใดนะคะในสินตนาการของบ้านรานแต่ว่า สิ่งที่นิสิตวอบอทุกคนรวมทั้งดท่ันรู้สึกก็คือเราได้ฝึกค่ะฝึกที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะแม้คนที่เงียบที่สุดก็ได้ฝึกการแสดงออกเรามีการแสดงออกนะคะกันทุกคนด้วยกระบวนการของสวอตไม่ว่าจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์ในความเห็นที่เราเห็นว่าถูกต้องนะคะอาจารย์ให้เทคนิคที่ที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ ฝึกให้เราพูดให้ตรงประเด็นฝึกอย่าให้เราพูดซ้าๆซึ่งอาจารย์ใช้คำพูดที่น่าฟังนะคือเชยค่ะแล้วก็ฝึกให้เราหมุนเวียนการที่จะได้ฝึกการแสดงออกนะคะใครแสดงบ่อยๆก็เชยซึ่งดิฉันก็รู้สึกว่าแสดงความเชยบ่อยนะคะเพราะว่ามักจะยกมือถามนูน่นถามนี่ถามนั่นนะคะ <c oughs> ก็เพียงแต่ ว, ว่าอยากจะให้เพื่อนที่รู้สึกว่าช้ า, ชาๆคะ่ะได้ตามทันนะคะ ประมาณนั้นนะคะหรือบางทีก็ถูกอาจารย์ว่าป้าถามเองแล้วป้าก็ตอบเองนะคะเป็นต้นแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะค่ะเพราะว่าเจตนาลมก็มีอยู่นะคะที่ด้วยประสงค์จะที่คิดอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็โดยสุดแล้วก็คิดว่าท่านเป็นครูเอื้อหรือเป็นคนครูที่ดีที่สุดที่ท่านคิดว่าท่านมาได้องความรู้ที่มีประสบการณ์ตรง ท่านเป็นคุณครูที่เข้มงวดค่ะท่านจะไม่ละลงกับกิเลสของนิสิตบางคนที่จะล้นเกินงามนะคะซึ่งก็ก็ก็เป็นนะคะก็เป็นตัวแบบตัวอย่างของของคุณครูค่ะที่เอานิสิตวนบอยอยู่นะคะในห้องเรียนค่ะคนเคยคนเคยมีชีวิตเป็นครูมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ว่าท่านจะ ท่านคงจะไปพกกกักสักระยะหนึ่งเพราะว่าล่าสุดที่เคยดิท่านไม่ได้ไปเนื่องจากวสวจะมีการประเมินนะคะเอกสารมากมายไกดกองก็เลยไม่ไปร่วมเกี่ยวกับ5สอ น, นะคะที่อุทยานแต่ล่าสุดที่ได้เรียนรู้กับท่านอาจารย์ที่ท่านสรุปเกี่ยวกับสวอของงานเจเป็นแผ่นเดียวและฉันนั่งดงู ท่าอาจารย์ก็พูดเล่านู่นนี่ให้กับพวกเราหลายๆคนนะคะบางคนยัสันนิษฐานถึงสันนิษฐานโลกซึ่งฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างมากพวกเราก็สนใจอย่างยิ่งท่านก็ยังบอกว่าเดี๋ย น, นก็ถามท่านอาจารย์เองว่าการที่ท่านจะมาที่บ้านราชเนี่ยท่านจะมาด้วยการที่พวกเราเชิญท่านหรือบางทีท่านอาจารย์คิดถึงพวกเราแล้วจะมาหรือทั้งสองอย่างนะคะท<อ> <laughs> ่านอาจารย์ก็บอกว่าอเอาเอก็คือพูดไปพูดมาท่านจาว่าเออก็ ก็เชิญไปสิบางทีผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะคะและเกี่ยวพันกับประเทศไทยซึ่งน่ากลัวมากน่าเศร้ามากนะคะหัวข้อเรื่องจะเป็นเรื่องของโลกานุวัตหรือโลกาไม่ใช่พิวัตนะคะเป็นโลกานุวัตอะไรประมาณนี่ค่ะซึ่งท่านจะบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็เชื่อว่าศักระยะหนึ่งท่าอาจารย์น่าจะกลับมาค่ะเราด้วยหัวข้อนี้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ผ่านทางบุญนิยมทีวีนะคะขอบพระคุณค่ะอ เอาดีๆเหอะทำดีๆมไม่มีปัญหาอะไรครับขอโอกาสครับขอโอกาสครับอ้าวคนสุดท้ายแล้วครับผมลักคุณเต็มใจจรครับให้รับบวดครับวันนี้ผมได้คือผมขอเรียนปรึกษาว่าไอโครงการที่ที่เราทำเรื่องงานเจเนียครับมันก็เป็นความคิดที่แตกต่างกันอยู่สองส่วนอย่างที่ว่าผมก็พยายามที่จะ ให้ให้ให้มาพบกันตรงกลางให้ได้นะครับพยายามที่จะอย่างอย่างกลุ่มหนึ่งก็อยากจะขยายจนถึงขั้นปิดถนนกลุ่มหนึ่งก็อยากคงเดิมไว้ประมาณนี้นะครับก็ทำยังไงจะจะให้ได้ทั้งสองส่วนคือส่วนขยายก็ไม่ใช่ว่าปิดถนนนะครับส่วนที่ไม่ขยายออกไปก็คือไม่ใช่แค่อยู่เท่าเดิมนะครับผมก็พยายามที่จะจะเกลี่ยให้มันให้มันได้ทั้งสองส่วนนะครับอันนี้ก็พยายามทาตรงนี้อยู่เป็นเป็นความตั้งใจจริงๆที่พยายาม เรื่องนี้อยู่ก็ผลก็ออกมาว่าก็ได้ทั้ง2 ส, ส่วนคือเป็นส่วนที่ขยายออกไปไม่ถึงขั้นปิดถนนนะครับงานที่ที่เมื่อก่อนที่ไม่ไม่ได้เป็นวลน บ, บนะครับก็จะรับงานที่สากลบริยมครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้อยู่ที่สากลคงไปรับผิดชอบเรื่องจราจร น, นะครับวันนี้ผมก็เลยคิดเรื่องแผนงานจราจรว่าว่าเราจะจัดการจราจร อ, อย่างไรในภาวะอย่างนี้นะครับผมก็คิด คิดขึ้นมาหลายหลายอย่างนะครับหลายอย่างสุดท้ายผมก็ทําเป็นแบบทําเป็นวาดภาพวาดผังออกมาว่ารถจะจอดอย่างไรรถจะเดินกันอย่างไรนะครับแล้วผมก็ไปเรียนปรึกษากับรองผู้กกับนะครับรองผู้กกับจราจรนะครับซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็ได้เขียนคําร้องเรื่องขอใช้ถนนเขาก็อธิบายเขาก็แนะนำให้ให้เราในเขียนคําร้องเรื่องการใช้พื้นผิวจราจรนะครับ ผมมาเขียนคำร้องแล้วก็เขียนรายละเอียดแล้วก็ทําแผนผังเสนอเขาขณะที่เขียนผมก็ปรึกษาเขาไปด้วยนะครับว่าปีนี้เราขยายงานเจออกมานะครับที่เราขยายก็เพราะว่ามีคนรับประทานมากขึ้นพวกเรามีมีการศึกษามีการเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้ด้วยนะครับก็เลยมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกหรือส่วนรับประทานอาหารที่มันไม่เพียงพอนะครับแล้ว ก, ก็เรียนแจ้งเขา เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ผมก็เสนอแผนให้เขานะครับซึ่งเขาเขาาดูแล้วเขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหมายถึงว่าถ้ามีรถมากขึ้นเขาก็จะมามาช่วยจัดการจราจรตั้งแต่วันแรกเนี่ยเขาจะส่งเจ้าที่มาอยู่กับเราเลยแม้ตัวรองผู้ังกับนะครับพันตํารวจโทอสุพจน์แล้วก็พันตำรวจตีสันติภาพเนี่ยเขาก็จะลงมาในพื้นที่มามาคอยดูมาคอยกํากับให้เราด้วยนะครับเกิดช่วงใดที่การจราจรไม่คับขั่งเขาก็จะขอ ให้รถบินสวนกันช่วงใดที่การจราจรมันคับคับคั่งไม่ว่าจะเป็นช่วงเปิดหรือช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นอันนี้ผมก็เสนอเรื่องแผนการเดินรถวันเวนะเดินรถทางเดียวเขาก็เขาก็รับนะครับเขาก็รับว่าเขาจะมาดูแลใกล้ชิดถ้ามันมีเหตุจําเป็นที่รถแน่นจริงๆคนมามากมันจะเกิดอันตรายเขาก็จะเขาก็จะมาช่วยนะครับเขาจะม้คําแนะนําโดยโดยใกล้ใกล้ชิดนะครับ ก็ทําให้รู้สึกคลายใจแล้วก็มั่นใจว่างานของเราเนี่ยน่าจะเดินไปด้วยด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิดปัญหากับชาวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่เข้าไปพูดคุยกับตํารวจแล้วก็ยังไม่ได้มาเรียนเสนอใครเพิ่งกลับมาก็ผมก็ทําแผนนี้แล้วก็มาเรียนในที่ประชุมตรงนี้ก็อยากจะเรียนปรึกษาพระท่านว่าพระท่านเห็นเห็นอย่างไรครับที่ที่ทีททท่พูดอยู่นี่โดย อ, อง์รวมก็ใช่ได้ใช่ได้อ ก็ดีแล้วเพราะว่านี่ในเราก็นั่นแหละก็ตกลงกันแล้วก็ทําปิดขนาดนั้นมันก็จะเกิดทางเราก็ยังไม่รู้เหตุการณ์จริงเมื่อเวลาเกิดเปิดแล้วมันเวลาไหนเวลาชั่วโมงเร่งด่วนมันจะมีอะไรใดขึ้นมานั่นก็จะถึงขั้นวันเวที่จะขั้นอะไรตํารวจก็เราไปก็ไปติดต่อไว้ก็ดีแล้วเอาตกลงกันก็ดีแล้วครับขอบพคุณครับอืม เอาละทีนี้นักบวชเอาไมโครโฟนส่งมายังไม่มาไมโครโฟนยังอยู่นู้นนักบวชยังไมโครโฟนยังไม่ถึงมือเอานักบวชยิงได้แล้วก่อนเอาเลยพูดโทค่ะขอภัยนะดิฉันรู้สึกจะพูดบ่อยเพราะว่าบ่อยก็ไม่เป็นได้บ่อยก็ดีๆหลายท่านบอกว่าอาตมาจะพูดบ่อยของคุณก็เล้รู้สึกเกรงใจคนฟังเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเออได้ชัดเจนตรงที่เรื่องเทวดาเทพประมุตมาร น, นะะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันความกลายล่างของตันหานะคะพอไม่สมใจในกลามตันหาก็กลายเป็นปฏิฆะกลายเป็นพยาบาท ะ, ะกลายล่างทันทีเลยนะฮะมันมันจะกลายล่างปั๊บป๊ป๊ป๊ ป, ป, ป, ป๊เลยตอนเราจู่ช่วงกลามกินไม่สมใจได้ไม่สมใจ โลภไม่สมใจจากตัวเสพสมสุขสมของกลามก็กลายล่างเป็นปฏิคะกลายล่างไปเลยนะฮะ น, น, นั่นแป๊บๆเนี่ยก็กลายให้เห็นเลยมเป็นความทุกข์ให้เห็นเลยพอไม่สมใจในทิฏฐิพอไม่มีคนขาดทิฏฐิมันก็กลายล่างเป็นอัตตา ม, มาณนะเออตาเจ้าตัญหานี่มันแทกไปทุกโอกาสเลยนะมันช่างสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น อะไรเป็นแดนเกิดเป็นกําเนิดเป็นเหตุทุกอย่างเนี่ยมีตันหาเป็นตัวใหญ่กับเพื่อนเลยมันจะกลายร่างปุ๊บเลยเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นมารเดี๋ยวเป็นเทพนะคะสมใจก็เป็นเทพไม่สมใจก็เป็นมารเดี๋ยวก็เป็นยักษ์ออกมาจริงๆเลยไม่มีเขี้ยวก็เหมือนมีเขี้ยวนะกัดได้นะกัดคนอื่นมั่งกัดตัวเองมั่งไม่ค่อยกัดตัวเองส่วนใหญ่กัดคนอื่น ที่เขายืนอยู่วัดแจ้งวัดอะไรเขาก็ถือกระบองไว้ตีคนอื่นนะเขาไม่ได้ถือกระบองไว้ตีตัวเองนะเพราะเขายังอ่านจิตกขาไม่ได้ไงฮะยักษ์มาเนี่ยมันจะอ่านจิตตัวเองไม่ได้มันคิดว่าคนอื่นนะผิดความคิดเห็นแบบอื่นนะผิดการไม่สมใจเรานี่แหละไม่ถูกอะไรเงี้ยมันจะมันจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตัณหานี้มันนึกๆึกแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนปรามาัดกับพ่อครูเนี่ยเรารู้สึกว่าปรามาัดของพระพุทธเจ้าที่พ่อครูเอามาเอามาเนี่ยฮะฉันรู้สึกว่า มันไม่มีอะไรเรื่องใหญ่เลยในโลกแล้วมันมีแต่ตันหาอย่างเดียวกับอวิชาเท่านั้นนะอย่างอื่นมันสมมุติขึ้นมาแป๊บๆเนี่ยเราว่าเรื่องชาวอาโศกใหญ่ในดิฉันเนี่ยไปทีก็ไปเก็บแผ่นอลูมิเนียมตามที่ต่งตางๆก็ไปเจอคนงา น, นตอนนี้ก็คุยกับคนงานบ่อยฉันเคยสงสัยว่าทําไมมหาตามะคารทีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาเกิดอีกน่ะเขาจะเกิดเป็นจันทา น, นะฉันไปฟังคนงานขณะที่ฉันเป็นผู้หญิงแล้วฟังเรื่องคนงานผู้ชายเนี่ยฉันใจดิฉันยังรู้สึกว่า โอ้โหเรื่องของเรา Banana. นี่มันเรื่องไอ้เม็ดงานเนาะเรื่องเขานี่มันเรื่องภูเขาหมดเลยเนาะเขาเป็นนี่เขาก็เป็นนี่จริงๆริงนะสามีเขากินเหล้าเขากินเหล้าจริงๆลูกเขาเกเรเขาก็เกเรจริงๆเงินก็ไม่พอใช้เขาได้วิคละสิบห้าวันเบิกทีเขาก็ไม่พอใช้เขาต้องยืมคนอื่นจริงๆมันทรมานจริงๆในฐานของเขาในภูมิของเขาเนะแต่ของเราเนี่ยมันพุ่งเร็ มันมีหมดชมีกินดินเมเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีแสบแทดมีแก่ป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้ม้ามีคนช่วยกวาดแล้วทะเลาะกันก็ไม่ใช่ทะเลาะเรื่องใครนะทะเลาะเรื่องคนอื่นทุกเรื่องเลยเรื่องจะเสียสละทุกเรื่องเลยนะเรื่องที่เราทะเลาะไม่มีเรื่องตัวเรานะบ้านเราไม่มีรถเราไม่มีของเราไม่มีมาล่วงล้ำของเรามาขโมยของเราทะเลาะเร่งพวกนี้ไม่มีไม่มีเลยมีแต่ทะเลาะกันเรื่องจะทํางานให้มันดีตาโอ้โหดิอะไรรู้สึกอะ You, um ทะเลาะกันขั้นเทพนะพวกเราเนาะธรรมะสงครามจริงเจนเจนเจนนั้นผู้อื่นก็อาจจะเข้าใจเรายากว่าเราทะเลาะกันขั้นเทพแล้วเทพนี่ก็ไม่ค่อยจะมีมารยาทนะขออภัยทำไมเทพไม่ค่อยมีมารยาทเพราะเทพก็ไม่ค่อยอายไงฮะไม่ได้คิดว่าน่าอายอะไรก็ฉันเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้อะไรถูกอะไรผิดก็พูดกันนี่ก็พูดขึ้นดาวเทียมด้วยนะฮะเทพก็พูดอย่างสบายๆเลย ก็เลยรู้สึกว่าเทพพวกนี้ยังไม่ได้เรียนมารยาทสังคมเท่าไหร่เดียก็พูดถึงตัวเองด้วยนะว่าเออต่อไปฉันเป็นเทพนี่ก็จะเรียนมารยาทสังคมได้อีกเพราะว่าเราจะต้องทํางานศาสนานะก็กราบขออภัยในเทพที่ขมุกขมอมกันมาตลอดทุกคนนะฮะทั้งตัวเองด้วยก็เป็นเทพเทพกมุกขมอมพราะครูก็พลอยหมนมองก็พวกเทพขมุกขมอมของความเป็นลูกเลยนะฮะคือมีลูกมันเต็มมั่งไม่เต็มมั่งขมุกขมอมแล้วก็พูดอะไรแบบไม่ค่อยยั้งคิด แล้วก็ออกไปสู่โลกภายนอกเลยนะฮะโลกภายนอกก็เข้าใจเทพขมุขขมอมด้วยกันเลยกันนะฮะขอภัยปร ะ, ะจบมาเอาเลย <c oughs> เอาไมโครโฟนไม่ค่อยดีเลยหออาอย่างดีๆมาใช้หน่อยทีมัน <c oughs> เป็นยังไงอ ดังลกลับพอ่อกลับพ่อครูครับครับขอบคุณพ่อครูที่เปิดสนามรบให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของอาตานะัตราเนาะอัลมากา็ได้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยนะอยากจะเรียนถามพ่อครูนะครับจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับคือวันที่มีการมีความามีความเห็นที่แตกต่างวันที่ประชุมกันแล้วก็เกิดการความเห็นที่แตกต่างกันนะ ก็เปิดโอกาสให้แต่และฝ่ายต่างแสดงความเห็นได้อย่างอิสระเสรีภาพนะครับเสร็จแล้วพอมีการโหวตเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายที่เห็นว่าน่าจะปิดถนนเนี่ยมีอัตราเสียงที่มากกว่าถึง46ต่อ14เสียงนะครับแล้วคนที่คนที่เรียกว่าฝ่ายที่ชนะโหวตที่จะไปทำงานเนี่ยะจะเกิดความรู้สึกยังไงท้งจะเรียกว่าอัตราครับพ่อครูครับออก็คือเราเองเรา อัตตาเราก็คือตัวจิตของเราต้องอ่านอาการของมันเมื่อมันแพ้มันก็ไม่ยอมน้าตาเราในสนามรบของธรรมะธรรมะสงครามเนี่ยเราอยู่กับหมู่ศัตรูที่รบกันเองในหมู่เนี่ยที่จริงก็คือมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะเพราะงั้นเวลารบก็คือวิธีรบ แพ้หรือชนะก็ต้องรู้ว่าเรานะแพ้หรือชนะในเราเราได้ลดอัตราไหมแพ้เราก็ได้ลดอัตราชนะเราก็ไม่พยองแพ้เราก็ไม่ตอ่อไม่แก้แค้นไม่อาฆาตไม่โตตอบอะไรแพ้ก็แพ้เราก็ทำตามหมู่วางวางใจวางใจได้ทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งแพ้ทั้งชนะชนะก็ไม่พยองไม่ยิงไม่ถือดีไม่ ไม่ออไ ป, ปแสดงอาการขมอะไรต่งตตางๆนานาพวกนี้แพ้ก็ไม่เ ป, ไปไน็นไรแพ้เราก็เอ๋อขอแพ้เพราะงัน้นเวลาทํางานเวลามีเหตุการณ์จริงอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเราลงสนามรบนี่คือการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจริงๆอาชีวะสังกปปวารจากรรมันตะจริงๆเราทําได้อย่าง ถูกต้องรู้จักตัวอัตตาอย่างที่ว่าอัตตาคือยังไงก็คือจิตของเรานั่นแหละมันจะแสดงความเห็นมโนสัจเจตนาความมุ่งหมายของเราเร า, เราแสดงได้แสดงแล้วเราก็ต้องดูองค์รวมดูมูดูคณะต่างความเห็นวิธีการนี้นี่สังคมโลกเขาก็ใช้ที่ประชุมไหนเ็าก็ใช้ สภาไปโยะตั้งถึงที่เล็กๆน้อยๆเขาก็ใช้ถ้ารู้จักหลักประชาธิปไตยนะแล้วก็เอาคําเสียงส่วนใหญ่เป็นประมาณชนะเป็นเอกชนชนะโดยคะแนนเสียงหรือว่าไม่ต้องโหวตและชัดเจนนะทุกคนก็เห็นด้วยมันต้องโหวตมันเห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรคนชนะก็ชนะตัดสินไปเลยอะไรไปเลยทุกคนก็ไม่แย้งอะไรก็ต่างๆนาน า, นาวิธีการอะไรพวกนี้เนี่ย สรุปแล้วมันแพ้หรือมันชนะเราก็ต้องรู้อัตตาของเราชนะก็อัตตาอย่างหนึ่งแพ้ก็ชนะอัตแพ้ก็อัตตาอย่างหนึ่งเราก็รู้จักอัตตาของเราอย่าให้มันมีลีลาที่มันมีตัวตนถือตัวถือดีถือไม่ดีถือไม่ดีถือแค้นถืออาฆาตถือประชดถืออะไรก็แล้วแต่ไม่มัน เอกชดนี่มาเสียงานนะถามต่อกับพ่อครูครับอพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าถ า, ถามในบทปฏิบัตินะครับปรากฏว่าพอไปทํางานจริงเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ทํางานตามที่เสียงโบสส่วนมากเห็นชอบนี่ก็ผิดนั่นแหละตัวตะแบงเลยนั่นนะตัวเสียหายแบบนี้อัตมาเคยพูดไม่รู้กี่ทีแล้วว่าการประชุมเนี่ย มันมีอยู่สองหลักใหญ่หนึ่งมีอะไรของเราออกมาให้พูดออกมาให้ครบครบจะได้หลักฐานข้อมูลครบครบมีอะไรก็ออกมาพูดมให้ครบในเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ ง, งานนี้อะไรก็แล้วแต่พูดมาให้ครบครบเมื่อพูดครบแล้วก็วิจัยกันวิเคราะห์กัวิจารณวิจัยกันทุกอย่างอภิปรายอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งตัดสินเมื่อตัดสินแล้วมีมติจบ อัตตาต้องจบในที่ประชุมเนี่ยอัตราเวลาเราเวลาเราว่าเราเป็นตัวของเราเราก็เป็นตัวของเราแสดงความจริงใจแสดงความรู้ความต้องการมโนสัจเจตนาอยู่ในที่ประชุมเมื่อเสร็จจบสังเคราะห์ออกมาแล้วบวกรบคูณหารตัดสินออกมามีมติแล้วต้องทําตามมติแล้วหมดตัวหมดตนให้ได้ หมีอะไรพูดออกมาก็ครบแล้วก็วิดกรรมมวิธีในที่ประชุมก็เป็นดําเนินการที่ไหนเขาก็ทําได้โลกๆะเขาก็ทําได้พวกเราก็ทําก็เหมือนกันแหะแต่เสร็จแล้วมันจะไม่เหมือนโลกก็ตรงที่ว่าเราพูดออกมาครบเราไม่แฝงเราไม่เล่เหลี่ยมเราไม่มีอะไรซ่อนแบบปังพูดออกมาครบเราก็ได้ข้อมูลครบเมื่อได้ข้อมูลครบกทุกคนก็ฟังทุกคนก็รู้ช่วยกันคิดช่วยกันบวกลบคูณหานเสร็จแล้วก็ได้ผลออกมาจนถึงขั้ น, นวิเคราะห์และววิโบดเวิร์ดออกมาเสร็จแล้วเป็นมติ จบมติแล้วก็ไปทําตามมติก็จบเพราะผู้ใดเบี้ยวมตินั้นคือคนนอกสังคมเนี่ยมันพวกกบฏพวกขี้โกงพวกแยกไม่ได้หรอกบอกจะชาติก็คือยังม า, มาเป็นคนเลวอยู่ในนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติอะไรไม่ได้มาทําไมเสียเวลาทลําอะไรก็ไม่ทําทําอะไรก็ยังมาเป็นคนโกงอย่างเ่าไปทําให้เสียเวลาทําไม ม, มันก็เท่าเดิมเรวเท่าเดิมเรียกว่าเก่าด้วยเพราะแทนที่จะเออทาไปแล้วแทนที่เราจะปฏิบัติตา ม, มาอา้าวเราก็ดื้อด้านดึงดันแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำมาทำทำไมมันเมื่อยมติทําไมประชมุมกันทําไมเสียแรงงานเสียเวลาเสียทุนรอนเสียอะไรต่ตางๆมาเปรา่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมาทำก็ต้องให้มันเป็นประโยชน์ทําไม่ต้องได้สิ่งที่จริงถ้าไม่ได้สิ่งที่จริงไปทำทำไม เ <No, S 2> ขาโขขอกาสนะครับก็วันนี้อยากจะชื่นชมพวกเราที่ไปชี้แจงที่ศูนย์ดำรงธรรมคื อ, อดูเหมือนผู้ไปชี้แจงเนี่ยคื อ, อธนาลินไทยกับอาดินดอนแต่ทุกคนแต่ละคนก็นมาเล่าให้ผมฟังคนละทีอาดินดอนก็ชื่นชมธนาลินไทยธนาลินไทยก็ชื่นชมอาดินดอนคือชื่นชมว่า ว่าพูดได้อย่างดีพูดอย่างสุภาพแล้วก็ผู้รับเขาก็เข้าใจได้คือเห็นอย่างหนึ่งว่าเออเวลาแก้ปัญหาเนียถ้าจิตใจของเราสบายไม่ไม่ไม่ได้ไปเครียดหรือไม่ได้ไปวิตกกังวลอะไรพอสองคนนีเจอผ่านด่านมาเยอะแอยะดังนั้นดังนั้นการที่เขาจะไปตอนเนี้ยเรีว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามใช้ทุกวิธีทางไปทั้งหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์ทั้ง นังสือพิมพ์ที่ว่าค่ายใหญ่ทางกรุงเทพหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นเข้าไปสํานักพระราชวังเข้าไปทุกหมดเท่าที่ไปได้ไ อ, อ้คสชไปเพรไค <c oughs> สชตัวท้ายคสชก็โยนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่อย่างพวกเรามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าทิ้งที่เขาทําเนี่ยมันมันก็เท่ากับเ็จริงแล้วมันก็เท่ากับเป็นการบรรจาร์ตัวเขาเองเพราะเราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เขาช่วยเหลือเขามาตลอดที่ตรงนี้เราก็ให้เขามาเกื้อกูลเข้ามา แต่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจิดของเขาเนี่ไม่ได้ปัญหาเขาไม่ได้อยู่ที่ดินแค่เอตรงนี้เท่า น, นั้นแหละเขาต้องการจะขับหล อ, อกจากหมู่บ้านนี้ด้วย ท, ท, ทั้งๆที่เนี่ยมันได้เห็นจิตที่แต่ว่าเขาอาศัยความเป็นเหมือนกับกลุ่มชาวนาเขาจะชื่อว่ากลุ่มชาวนาเนี่ยมันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยใครๆไปพูดขึ้นมาก็เห็นใจแล้วก็ก็ไปถ่ายที่พิพาทจะว่าเป็นป่าสาาระเป็นรวมสมบูรณ์เขาไปกอดต้นยางที่ตรงไหนก็ไม่รู้ ทังที่ที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นที่นาว่าล้างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปถ่ายรูปหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์เนี่ย <c oughs> ก็ไปดูว่าโอ้โ oh, ห oh เป็นป่าอุาดมสมบูรณ์เรามายึดป่าสาธารณะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเห็นว่าคนของเราเนี่ยใจเย็นพอแล้วก็นิ่งพอที่เรารู้ว่าความจริงความผิดความถูกเป็นอะไรงั้นเราก็สามารถพูดลําดับให้เขาฟังแล้เจ้าหน้าที่เขาคุยกันนิดหน่อยเขาก็เข้าใจเลยก็รู้สึกว่าเราเคลียร์เขาได้อย่างเข้าใจเพราะว่า เรามีจิตใจที่ดีถ้าเราถ้าเราเครียดหรือเรากังวลหรือเราโมโหวพวกชาวบ้านนี่เงินจะกันแย่ออก<笑><笑>เรา เ, เราก็จะแพ้ตั้งแต่ยัง<พ>ไม่แพ้เลยเงินจะกันแล่ออกแพ้แต่วันนี้ทั้งสองคนก็แอามาชมซึ่งกันแล้กันว่าคนนี้พูดดี <S <S คนนี้ก็พูดได้ดีคนนี้ในทํานองเดียวกันกับงานเจครั้งเนี้ก็ต้องยอมรับว่าอนุมาสึกเห็นใจพวกเราอย่างมากเลยที่ที่รู้สึกวันเหนื่อยทุกฝ่ายฮะ กว่าจะได้หลับได้นอนกว่าจะสวอชเสร็จกว่าจะไปถกนอกรอบกว่าจะอะไรเสร็จเนี่ยแล้วทั้งวันก็นทํา ง, งานกันทั้งวันเนี่ยมันเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตน ะ, ตะทวดี่พราะเราไ<ำ> <c oughs> พอ้นนี่ยไพอ้นนี่พราเราในรุ่นบุกเบิกเขาเองรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งของมหาวิชาดรัมนะรุ่นหนึ่งของโลกนะครับเห็นพวกเราบอกว่าไปชุมนุมไปลุยกับเอ็ิบอะไรก็ไม่เท่ากับเหนื่อยเท่ากับ M อ็มห้าร้อยนะ M 500เจอลมที่เครียดกาดที่พวกเราต่างคนต่างเหนื่อยแล้วพูดกันแล้วมันก็จะรุนแรงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความดัเหนื่อยอย่างมากเลยว่าชุมนุมเนี่ยก็ไม่เหนื่อยเท่ากับต้องมาสู้กับ M500 ด้วยกันซึ่งต่างคนต่างก็มีความปรารถนาดีออกมาเราดูเหมือนนัสตตาพระเจ้าก็จัดสรรจัดสันได้ลงตัวที่สุดอะคือไม่ได้สนใจใครทั้งฝ่ายนึงเลยนะฝ่ายไม่อยากให้ลงถนนก็ลงไปครึ่งหนึ่ง ฝ่ายอยากไปผิดเต็มนันน้นนก็ไม่ได้ผิดเต็มนั้นนอย่างที่คิดนะก็ดูว่าเออถ้าฟังอย่างพ่อครูพูดเนี่ยออกมาว่าจุดตัดสินว่าใครผิดใครถูกกัตรงที่ว่าพิดตัดสินตรงที่ว่าใครยึดมั่นถือมั่นนะนั่นเองคนที่ถูกก็คือคนที่ไม่ได้ยึดมั่นถึอมั่นที่พ่อครูบอกว่าเป็นพรมลูกฟักแล้วแต่ใครยังงัดไปตรงไหนก็ได้ที่ผ่านมาเราแค่พรมวิหารปีนี้เราพัฒนาเป็นพรมลูกฟักแล้ว <c oughs> คือเป็นพรหมที่กลิ้งไปกลิ้งมาตรงไหนก็ได้แล้วแต่หมู่จะพาไปไม่มีปัญหาอะไร คิดว่าก็ขอให้กําลังใจกับพวกเราที่เลากันว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าทดสอบมหาวิชาลามของพวกเราจริงๆเลยว่าเป็นการเรียนที่เป็นภาคปฏิบัติปราก ฏ, า ก, ฏการทิทยาที่ต้องหนักเหนื่อยแล้วก็ต้องปล่อยวางอย่างยิ่งทีเดียวครับอ้าวนี่แหละคือการศึกษาที่แท้บ้านวัดโรงเรียน โรงเรียนลึกสถานที่ศึกษาของเราเนี่เอาทั้งอาณาบริเวณทั้งหมดของสังคมแทนที่จะบอกว่าเขตเท่านี้นะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมีเท่านี้นะ เ, เธอคุณให้เท่านี้เราก็ขีดให้คุณเท่านี้แต่ของเจ้าของเราในมหาลัยมหาไลัของเรามหาวิชารามของเรานี่มันนุ่นมันรวมบ้านคือสังคมทั้งหมดวัดซ้อนอยู่วัดก็คือทั้งด้านศิลธรรมคุณธรรม จนโรงเรียนก็การศึกษาของเรารวมหมดเลยเป็นองค์รวมการศึกษาเราก็ศึกษาไปแล้วก็จะค่อยๆได้เดจะเข้าใจว่าเราเองเราได้ศึกษาอะไรอน้าอยู่ได้ทั้งสี่ปีแล้วลองคุณจะรู้เลยพอจบแล้วเนี่ยจะไม่อยากได้แผ่นทองคำเพราะคุณได้สิ่งที่ดีกว่าแผ่นทองคำแล้วจริงอ อไปนอนได้วันนี้เลยเวลาไปเยอะละอ้าวเจริญธรรมทุกคนวันศ